ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชน ท, ทุกท่านอาตมาเชื่อพวกเราทุกคนเนี่ยลดลแต่เป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขแ้าส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไม่น้อยนะไปกับการแสวงหาความสุขแต่บางครั้งเนี่ยเรามักจะลืมไปว่าความสุขนั้นเนี่ย มันไม่ต้องไปสองหาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องถึงกับเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวห้างหรือว่าไปตามหาคนรู้ใจที่จริงความสุขมันก็อยู่ใกล้ตัวเหล่านี้เองความสุข จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหาที่ไหนเพราะว่ามันอยู่ที่ปลายจมูกเพราะว่าปลายจมูกนเนี่ยนะมันมีทั้งที่เป็นปลายจมูกจริงๆแล้วก็เป็นทุกประมาย่างถ้าเกิดว่าเราลองทำใจสงบสงบ หับตาพริมแล้วก็ยิ้มน้อยๆแล้วก็ลองน้อมใจมาที่ลมที่ปลายจมูกของเราเวลาเราหายใจเข้าก็รับรู้ลมหายใจที่เข้าเวลาเราหายใจออกก็รับรู้ว่ามีลมหายใจออกอาจจะรู้ถึงสัมผัสที่ปลายจมูกเบาๆอาตมาเชื่อแน่ว่า ถ้าเราทำได้สักพักเนี่ยก็จะพบกับความสุขความสุขชนิดนี้มีชื่ออีกอย่างว่าความสงบลมหายใจของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าลมหายใจเนี่ยมันมีประโยชน์เพียงแค่ เอาอกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยลมหายใจที่ปลายจมูกของเราเนี่ยสามารถจะให้อะไรแก่เราได้มากกว่า น, นั้นคนส่วนใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยเราหายใจลดทิ้งไปเปล่าๆเวลาหายใจเข้า เราก็ไม่ได้เฉลียวใจไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของมันด้วยซ้ำแต่ถ้าเพียงเราเติมความใส่ใจลงไปเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจของเราลมหายใจที่แสนจะธรรมดาจะกลายเป็นลมพิเศษทันที เรามีของดีของวิเศษอยู่ในตัวแล้วหนึ่งในนั้นคือลมหายใจเพียงแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่ลงไปนะถ้ากว่าว่างๆเนี่ยนะพวกเราลองทำกันดูหายใจแต่ละครั้งไม่ว่าเข้าหรือออกเอาใจใส่ลงไปเติมใจลงไปในนั้นคำว่าใส่ใจในภาษาไทยเนี่ยนะ มันมีความหมายที่เป็นรูปธรรมเลยนะเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นของแม่ธรรมดา ท, าทันทีอาหารของแม่เนี่ยเป็นของพิเศษสำหรับลูกแล้วก็มกักจะมีรสชาติที่ดีกว่าที่อื่นไม่ใช่เพราะว่า แม่มีเครื่องคราวพิเศษไปจากที่ซื้อตามร้านค้าแต่พ่อสิ่งที่แม่ทำก็คือเอาใจใส่ลงไปลมหายใจของเราก็เหมือนกันนะวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราไม่ค่อยเลยตระหนักถึงการบีของมันแต่ลองเติมใจเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าก็รับรู้ว่ามีลมหายใจ เคลื่อนผ่านเข้ามาที่ปลายจมูกหรือว่าเคลื่อนผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหายใจออกก็รับรุ่ลมหายใจที่เคลื่อนจากร่างกายของเราก็ทบปลายจมูกและออกสู่อากาศภายนอกเมื่อเราเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจทั้งเข้าและออกเนี่ยมันจะกลายเป็นลมพิเศษ ที่สามารถจะนำความสงบเย็นไปเลี้ยงจิตใจของเราได้ไม่ใช่แค่เอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นนะแต่ยังเอาออกซิเจนเอาความสงบไปหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลมที่สามารถจะดับความรุ่มร้อนในใจยามที่เราโกรธ น, นะคนเราเวลาโกรธเนี่ยนะมันจะรู้สึกมันก็มีไฟเผาลนจิตใจ ความเย็นจากภายนอกไม่สามารถจะทำให้ภายในใจเนี่ยสงบได้แต่ลมิเศษนี่แหละนะที่เริ่มต้นตรงปลายจมูกของเราเนี่ยมันสามารถจะดับความรุ่มร้อนในใจในยามที่เรามีความวิตกกั ง, งวลรู้สึกกดดันบีบคั้นด้วยปัญหาต่างๆนาน า, นานชนิดลมิเซนจะช่วย ทำให้ังเราขยายกว้างโปร่งโล่งในยามที่เราสึกหนักอกหนักใจก็แบกปัญหาต่างๆมากมายลมิเซนเนี่ยจะช่วยปลดเปล่าสิ่งเหลานั้นออกไปทำให้รู้สึกเบาสบายเรามีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว เรามีของพิเศษอยู่ในตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยตันหนักนะที่จริงเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยนะรู้สึกซาบซึ้งถึงการมีลมหายใจเนี่ยแค่นี้ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสูงขึ้นเยอะแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะถ้าลองทำอย่างที่อาตมาว่า เติมใจใส่ใจลงไปในทุกลมหายใจของเราอาจจะเพียงแค่หนาทีหรือแม้แต่3นาทีเวลาโปรดเวลาหมุดหงิดเวลากังวลนะกลับมาที่ลมหายใจหายใจอย่างสบา ย, บายอย่างมีสติคนะำว่าใส่ใจเนี่ยก็คือความหมายเดียวของการมีสติ ภาษาฝรั่งเนี่ยมีสตินะก็ใช้คำ m มาย o ู l m มายฟูทำงานอย่างมีสติก็ working mindfully พ้อหมา f ฟูเนี่ยนะถ้าแปลเป็นไทยคือว่าใจเต็มร้อยหรือว่าเอาใจใส่ลงไปเต็มร้อยเนี่ยฟู l เนี่ยคือมันเต็มเลยนะถ้า ล, ลองลองทำดุกโกรมหายใจของเราแล้วเราจะพบว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่อง ใกลตัวมันมีอยู่กับเราแล้วมันมีอยู่กับเราทุกลมหายใจจึงพูดได้ว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ปลายจมูกแต่ความหมายหนึ่งเป็นความหมายเชิงบุปมาก็คือความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากอะไรที่ใกล้ตัวบางทีเราก็เรียกว่ามันอยู่แค่ปลายจมูก แต่พไม่ใกล้ตัวนี่แหละเราถึงมองไม่เห็นจมูกเนี่ยนะปลายจมูกมันอยู่ใกล้ตาเราทีดเดียวนะแต่เรามองไม่เห็นนะคือมองข้ามความสูงที่ปลายจมูกในแง่นึงคือความสูงที่อยู่ใกล้เราแต่เรามักจะมองข้ามมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยแต่เรามองข้ามไปเรามองไม่เห็น คนที่รู้สึกมีความทุกข์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสุขอยู่แต่เขามองไม่เห็นเอเครําเนี่ยก็จึงได้แก่การมองเห็นความสุข <c oughs> เพื่อตมานะเขียนซอกอศไปถึงเพื่อของเธอแทนที่เธอแทนที่เธอจะเขียนหวยพรว่าขอให้เธอมีความสุขนะเธอเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุข เพราะอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเธอจะเห็นหรือเปล่าความสุขมีอยู่กับเราอยู่แล้วทุกคนถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยนะแล้วเรายังหายใจได้สบายเนี่ยให้เราลึกว่านั่นนะ่ะคือโชคและนั่นน่ะคือความสุขอย่างหนึ่งเพราะเมื่อถึงจามที่เราป่วย ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่าแม้แต่การหายใจก็เป็นเรื่องยากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะต้องมีท่ อ, อช่วยหายใจคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นเนี่ยจะตระหนักเลยว่าการที่มีลมหายใจหรือหายใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความสุกยฉยิ่งแล้วหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเงินทุกทั้งหลายที่มีเนี่ย เพื่อเพื่อจะหายใจได้อย่างสบายเหมือนคนปกติแต่ในภาวะเช่นนั้นเนี่ยบ่อยครั้งแม้จะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยให้หายใจอย่างปกติสามัญอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้เพราะร่างกายไม่อำนวยเพราะปอดนะป่วยหนาอย่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วถึงค่อยมารู้สึก ขอบคุณลมหายใจรู้สึกว่าเรามีโชคที่ยังมีลมหายใจหายใจได้ปกติ <c oughs> เปิดใจรับรู้ความสุขนะที่เรายังมีลมหายใจได้อย่างอิสระนะเสียแต่ตอนนี้นะ <c oughs> ถ้าเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ยังมีสุขภาพดีมีกำลังวังชา กินอะไรก็อร่อยเราตระหนักรูอเปล่าว่านั่ น, นคือความสุขหลายคนต่อเมื่อป่วยต่อเมื่อพิการถึงค่อยมารู้ว่าโอ๊ยตอนที่เรามีกาลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วยนะั่นะมีความสุขแล้วทำไมเราต้องไปรอให้ถึงตอนนั้นเราถึงจะเห็นความสุขที่มีอยู่กับเรา ทำไมเราไม่ชื่นชมรับรู้มองเห็นความสุขดังกล่าวตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เวลานี้ท้าไหลยมีตามองเห็นเห็นคนรักเห็นลูกเห็นพ่อแม่เห็นธรรมชาติที่สวยงามยังมีหูฟังเสียงเพลงยังมีหูฟังได้ยินเสียงลูกของเราพ่อแม่ของเราเราเคยตะหนักหรือเปล่าว่านั่นคือความสุข หรือจะรอให้เราเนี่ยหูวหนวกนะตาบอดซะก่อนถึงจะรู้สึกโอ้ยตอนนั้นเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยตอนนั้นเวลานั้นเรามีความสุขตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยตอนที่เราตาไม่บอดหูวไม่หนวกถ้าเรามีมือมีเท้าเดินเหนินไปไหนมาไหนได้มีสระที่จะไปอย่างที่ที่เราต้องการแม้ไม่มีรถก็ยัง ขอที่จะเดินไปนั่นแหะคือความสุขแล้วเป็นเซลลิภาพอย่างหนึ่งมีหลายคนเนี่ยมาเห็นระลึกได้ว่าน่คือความสุกตอนที่พิการอามาพลึกอามาภาพจะพาะอุบัติเหตุหรือว่าเพราะาความเจ็บไข้ในป่วยก็าตามมีคนแก่หลายคนนะอายุ9กสิบ ตาก็ ฝ, ากฝาก่าฟังการเดินก็ไม่ค่อยสะดวกศูนถ์วงก็เสียไปบาลานซ์ดุลยภาพในการที่จะทรงตัวเวลาเดินก็ยากลูกหลานอยากจะให้นั่งรถเข็นเวลาไปไหนก็จะต้องมีคนมาประคองแต่ว่าคนแก่เหล่านั้ น, น, นเนี่ยปฏิเสธเรียกร้องยืนกลางที่จะเดินเข้าห้องน้ําเองทั้งที่เสี่ยงอันตรายทั้งที่อาจจะล้ม แต่เขายิงกลายเพราะอะไรเพราะเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจเขาจะรู้สึกว่านี่คือเสรีภาพอย่างหนึ่งที่เขายังไม่อยากสูญเสียไปคือการเดินเข้าห้องน้ำด้วยตัวเองซึ่งหมายถึงการที่เขายังสามารถที่จะทำอะไรได้เขายังมีความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้มันจะเสี่ยงแต่มันเป็นอิสระอย่างหนึ่งที่เขายังหวงแหนเอาไว้และม่นทำให้เขารู้สึกว่าเขายัง เป็นนายของตัวเองนี่เป็นความสูขขงคนแก่จำนวนไม่น้อยนะฮะไอตอนหนุ่มสาวนี่เราไม่เคยตระหนักนะการที่เราเดินเธอไปไหนมาไหนได้นี่เป็นเรื่องดีกับไม่อยากเดินนะแต่นั่งรถท่าเดียวแรือบางทีก็จะขอให้คนอุ้มแต่พอถึงเวลาที่เดินไม่ได้นะเราตุกซึว่าฉันจะต้องเดินให้ได้เพราะนี่คืออิสรภาพนะที่ฉันอยากจะรักษาเอาไว้อย่าร้อยถึงวันนั้นนะ ขอบคุณนะทุกอย่างที่ยังทําให้เราสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้สามารถที่จะมองเห็นสามารถที่จะฟังเสียงเพลงหรือเสียงคาหรือเสียงของคนรักขอบคุณที่เรายังมียังกินอิ่มนอนอุน่นเพราะยังมีคนจำิวนมากที่เขาไม่สามารถจะมีกินเหมือนเราหรือว่าต้องพลัด่นาคาที่อยู่ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติอย่างที่หลายคนประสบตอนเกิดเหตุารสึนิมิรวยแค่ไหนก็กลายเป็นคนพัฒนาใครที่อยู่เป็นแล้วไม่มีอะไรจะกินกพติดกาะฉั้นจะเห็นได้ว่าเนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ามีความสุขอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว และมีความสุขรอบตัวด้วยเรายังมีลูกยังมีหลานจะมีคนรับยังมีพ่อแม่ขอบคุณทุกอย่างนะที่ทำให้เขายังอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขในโอกาสอย่างนี้เพราะว่าวันข้างหน้าเราจะไม่มีเขาเราจะไม่อยู่กับเรา อย่าไปรอให้ถึงวันที่เราไม่มีเขาแล้วเราถึงมา น, นึกเสียดายว่าโอ้นึกถึงวันที่เขายังอยู่กับเรานึกถึงวันที่เขานะยัง อ, อยู่รอบตัวเราหลายคนเนี่ยไม่ค่อยตระหนักไม่เห็นความสําคัญเลยหรือบางทีรู้สึกรำคาญด้วยซ้ำที่เขานะชอบอโทรศัพท์มา มีมีเพื่อนคนหนึ่งนะคุ้นเคยสนิทสนมกับพ่อมากตั้งแต่เล็กเพราะว่าแม่เนี่ยเสียไปตั้งแต่เขายังเด็กอยู่สนิท ก, กับพ่อเพราะพ่ อ, พ อ, พอเลี้ยงเขาเนี่ยเหมือนเพื่อนเลยนะเมื่อเขาเรียนจบไปทำงานมีการงานที่ที่ดีทุกวันเนี่ยพ่อก็จะรอ ให้เ้าเนี่ยกลับมากินข้าวบ้านแต่ตอนหลังเนี่ยเาไม่ค่อยมีเวลาที่กลับไปกินข้าวบ้านตอนเย็น่ะนะพ่อก็จะโทรไปถามว่าเมื่อไหร่จะกลับโทรทีแรกสองครั้ง3ครั้ง ก, ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอโทรศัพท์เขารู้สึรรกรำคาญกาลังคุยกับเพื่อนกาลังสนทนากับเพื่อนกาลังกินข้าวกับเพื่อนปรึกษาธุรกิจกันพอเห็นโทรศรัพท์ดังเห็นเบอร์ของพ่อราคาญ บางทีก็กระแทกเสียงลงไปบางทีก็ไม่รับสายพ่อก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมากินข้าวเย็นบางทีพ่อก็ถามว่าสาวที่นิดไปเที่ยวกันไหมเขาก็ไม่มีเวลาพอพ่อถามเขาก็รับขาวและวันหนึ่งพ่อเขาก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนับแต่นั้นมาไม่มีเสียงโทรศัพท์จากพ่ออีก ไอเสียงโทรศัพท์ที่เขาหนึ่งเขารู้สึกรำคาญโทรมาอยู่ได้ทุกเย็นแต่ตอนนี้เขาโหยหาแล้วแล้วเขาเรียกร้องอยากจะให้มีเสียงโทรศัพท์นั้นดังอีกครั้งหนึ่งแล้วเขามันึกเสียใจว่าไอวันที่เสียงโทรศัพท์นั้นดังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเขาเอาแต่รู้สึกรำคาญเขาไม่ได้เฉลียวใจรู้ว่าเสียงโทรศัพท์นั้นมันยังแสดงว่าพ่ อ, อยังอยู่กับเขาตอนนั้นเขามอไมเห็นตรงนี้ เ้าลำคาบแต่พอพ่อเสียไปแล้วเนี่ยเขาถึงมารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่พิเศษมากเลยนะไอ้วันช่วงเวลาที่ยังมีเสียงโทรศัพท์จากพ่อตังเนี่ยแต่ตอนนั้นเขมองไม่เห็นเ้าเสียใจที่เขาไม่สามารถจะพาพ่อไปเที่ยวได้แล้วก็ทํายังไงทราบไหมฮะเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดไม่ว่าเขาไปไหนไปทํางานหรือไปเที่ยวก็จะเอากับรองเท้าของพ่อเนี่ย ผู้เก่งของพ่อเนี่ยใส่ไว้ตรงบอะหลังแล้วก็บอกกับพ่อว่าพ่อไปกับผมด้วยกันผมจะพา พ, พ่อไปทุกที่เลยมันชดเชยความสึกผิดเข้าได้บ้างนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเขจะนึกอะไรอาวร์อยู่เสมอเมื่อครั้งที่พ่อยังอยู่กับเขาแต่ตอนที่พ่ออยู่กับเขาเนี่ยเขไม่รู้สึกชื่นชมหรืพีชีเอเลยนะภาษาฝรั่งเอฟพช น่นรู้สึกว่านั่นคือความสุขเลยนั่นคือโอกาสเป็นพิเศษเขารู้สึกแต่ว่ามันลำคาญเสียงเสียงโทรศัพท์ลำคาญที่พ่ออาเด็ดถามว่าเมื่อไรจะไปเที่ยวกับพ่อสักทีอันนี้คือบทเรียนที่น่าจะเตือนใจเรานะว่าเราอย่ารอให้ถึงวันนั้นตอนที่ไม่มีเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรักเราถึงค่อยมารู้สึกว่าโอ้วันที่เขาอยู่กับเรานี่มันสุดยอดมากเลยมันเป็นเวลาที่วิเศษมากเลย อย่าไปรอถึงตรงนั้นในเมื่อมันตอนนี้ยังมีอยู่เวลานั้นยังมีอยู่ก็ชื่นชมรู้สึกว่านี่แหละคือช่วงแห่งความสุข น, นี่คือความหมายที่จะมาบอกว่าเห็นความสุขนะอย่าไปรออย่าไปรอไปหาความสุขที่ไหนความสุขมันมีอยู่กับเราอยู่แล้วจนะึงอยู่บางคนบางท่านเนี่ยก็สูญเสียคนรักไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนยังมีสิ่งดีดดงๆมากมายที่ยังอยู่กับเรา ความสูงมันมีอยู่กับเราอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่เห็นเองไม่เห็นเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้ตาเห็นนะมันใช้ใจเห็นเพื่อต่อมาคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนที่ขยันทํางานมากเลยตั้งแต่แมุญฉลาทํางานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องข้อมูลข่าวสารดิจิตอล นี่อะไรทานี่ไม่หยุดเลยวันหนึง่งเป็นไส้เลื่อนก็ไปผ่าที่โรงพยาบาลพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่สักสองสาวันแล้วก็มาพักฟื้นต่อที่บ้านเป็นครั้งราที่แกทำงานเลยไม่ได้เลยหนึ่งอาทิตย์ทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่นอนอยู่บนเตียงก็มันนั่งอยู่บนระเบียงมีบ่ายวันนึงเนี่ยก็นั่งอยู่บนระเบียง บ้านเขาก็ไม่ได้อยู่ก็อยู่ชานกรุงเทพเนี่ยนะประมาณสักใบบางก็ดีดเสียงนกร้องที่แรกก็ตัวหนึ่งก่อนนะนกเขาตอนเราก็มีนกตัวที่สองร้องตัวที่สามร้องแล้วคราวนี้ไม่ใช่นกเขาเพีงเดียวนะนกพิราบนกแซงแซวก็ส่งเสียงร้องประสานกันมันกลายเป็นเสียงบรรเลงที่พร้อมไพเราะมาก เขาฟังแล้วเขาก็ซาบซึ้งรู้สึกอิ่มเอมใจก็มีความสุข ม, มากจนทั่งตาดิ้รืเลยล่ะ้ตานิ้นรื้อเลยสักพักเนี่ยเขาก็ถูกคิดขึ้นมาว่าเขาอยู่บ้านนี่มาเนี่ยตั้งแต่ลูกสาวเนี่ยยังแค่สองสาขวดตอนนี้ลูกสาวจะจบหมายเท่ไรครับทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนี้ทำไมเพิ่งได้ยินเสียงไครร้องอย่างนี้ ถามว่านกมันเพิ่ ง, งร้องหรือเปล่านกมันร้องมาทุกวันนกร้องมายี่สิบปีแล้วแต่เขาไม่ได้ยินเองทำไมไม่ได้ยินฮะเพราใจเขาลอยใจเขาไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่ตรงระเบียงนั้นใจเขาไปนึกถึงงานนึกถึงงานที่ผ่านไปแล้วนึกถึงงานที่ยังมาไม่ถึงใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันพูดง่ายๆไปอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอนาคตหรือไปอยู่กับอ่า สิ่งที่ไกลตัวความสูงเนี่ยเขาตอนนั้นเองที่เขาได้ตระหนักว่าจริงๆความสูงเนี่ยมันมันอยู่ใกล้ตัวนี้เองนะนะไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่ไม่ต้องไปถึงตาลุดเตาปูกระดึงนะหรือว่าแกรนแคนยอนจริงๆมันอยู่ในบ้านเท่านี้แหละจิตใจคนเราเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากแก้วน้ําหมือนนะ ถ้าแก้วน้ําเต็มนะแล้วเต็มด้วยน้ําขุนเนี่ยจะเติมน้ำใสลงอะไรลงไปเนี่ยมันก็ลดหมดต่อเมื่อจิตใจเนี่ยว่างเติมน้ำใสลงไปเนี่ยมันก็จะเต็มแก้วได้เป็นแก้วที่เต็มด้วยน้ำใส <c oughs> เพื่อนพัตมาเนี่ยคนนั้นเนี่ยจิตใจเนี่ยของเขาส่วนใหญ่เนี่ยมั น, มนก็แก้วที่มีน้ําขุนขุนอยู่เต็ม เพราะนั้นเติมน้ำสาสยลงไปมันก็ล้นหมดน้ำสาสยที่ว่าคือความสุขที่มันอยู่รอบตัวคือเสียงเพลงที่นกขับขานเขาไม่ได้ยินนะเพราะว่าใจเขาเนี่ยไม่ว่างใจเขาหมกมุ่นอยู่กับความคิดต่างๆนานาซึ่งรู้แล้วแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจุบัน เพราะจริงๆเนี่ยเพียงแค่ใจเราเปิดกว้างนะว่างนะเราจะสัมผัสเราจะรับรู้ได้ถึงความสุขที่มีรอบตัวเราได้ไม่ยากอาตมาคือไปเยี่ยมท่านตินาทันนะที่หมู่บ้านพรำโคระปากช่องก่อนกลับท่านก็ให้ภาพมาเป็นที่ระลึก ที่จริงมันไม่ใช่ภาพมันเป็นเป็นข้อความที่วาดด้วยผู้กันของท่านเป็นภาษาฝรั่งนะเป็นภาพศิลปะด้วยปลายผู้กันจีนแต่ไม่ได้เป็นรูปนะแต่เป็นข้อความเขียนว่า this moment is full of wonders ช่วงเวลาขนาดนี้เต็มไปด้วยความอัศจรรย์เชื่อจะมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการของตัวอย่างว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราถ้าเราเปิดใจนะเราจะพบกับสิ่งดีๆสิ่งที่ประเสริฐที่มีอยู่กับเราที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งนั้นคือความอัศจรรย์คือความสุขคือโอกาสการประเสริฐนั่นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะของความหมายที่ว่าความสุขที่ปลายจมูก ผู้ยานี่คือความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราความสุขอยู่ที่ใจเราพุทธเจ้าจัดว่าทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จแล้วที่ใจทาทั้งหลายเนี่ยก็ลงถึงความสุขด้วยความสุขที่ใจเป็นสาคัญใจในที่นี้อาจจะหมายถึงใจที่ว่างใจที่อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็รวมถึงมุมมองด้วยคนเราเนี่ยถ้าหากว่าหันมามองสิ่งที่เรามีแล้วก็รู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ความสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีความสุขเพราะว่าเขาไม่มองเห็นสิ่งดีๆที่เขามี ก็ไปหมวดจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขายังไม่มีและเพราะว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เคยเป็นสุขสักทีเพราะว่ามีแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ตัวเองยังไม่มี คนไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่ตนมีนะก็เพราะว่าเขามองเห็นหรือไปจ ด, ดยอยู่กับสิ่งที่เขายังไม่มีเคยมีคนไปถามชาวอเมริกันถามว่าเงินเท่าไหร่ที่จะทำให้คุณมีความสุขคนส่วนใหญ่ตอบนะว่ามากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ แทนที่จะบอกว่าล้านสองล้านสิบล้านฉันีจะมีความสุขเ็าตอบว่ามากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้แปลว่าอะไรแปล ว, ว่าได้มาร้อยล้านก็ยังไม่มีความสุขเพราะอยากจะได้มากกว่าร้อยล้านมีพันล้านก็เป็นยังไม่มีความสุขเพราะอยากจะได้มากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้พันล้านแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่ได้เขาก็ไม่มีไม่มีความสุขเพราะ เขาคิดถึงแต่อีกหลายล้านที่เขายังไม่มีและนี่เป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนนะก็คือว่ามัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่ได้มาแทนที่จะชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีถ้าว่าเรารู้จักนะํามาชื่นชมนะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ย ความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายแม้ว่าเราอาจจะยังพร่องอาจจะยังขาดในบางสิ่งก็ตามมีชาวมีสาวไต้หวันคนหนึ่งนะเธอชื่อหวังเหมยเหลียงเกิดมาเนี่ยสมองพิการเดินไม่ได้พูดไม่ได้ หลายคนเนี่ยถ้าพบว่าลูกในท้องเนี่ยมีสองพิการเนี่ยก็คงไม่อยากให้เกิดมาแต่แม่ของเธอเนี่ยนะดนดีที่เธอเกิดมาแล้วเมื่อเธอโตขึ้นนะเธอก็มีความภาคเพียรจนกระทั่งสามารถที่จะเรียนจบปริญญาเอก มาวิทยยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา UCLA จบปริญญาเอกณทั้งที่สมองพิการเนี่ยอัตมานี่สมองไม่พิการอวัยวะยครบสามสองยังไม่มีปัญญาจบปัญญาเอกที่นั่นเลยฉะนั้นเธอจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมีครั้งนึงเธอไปบรรยายให้โรงเรียน ม, มัธยมแห่งหนึ่งบรรยายด้วยการเขียนนะเขียนใส่กระดาน พอบรรยายจบ ก, ก็มีนักศึกษานักเรียนคนหนึงยกมือถามว่าคุณ เ, เกิดมาพิการตั้งแต่กาเนิดเคยรู้สึกน้อยใจเกินไปไหมไหมเคยรู้สึกรู้สึกกับตัวเองอย่างไรเธอมองตัวเองอย่างไรนะท้องประชุมก็งเงียบกริบเลยเพราะเป็นคำถามที่ปกติเขาไม่นิยมถามคนพิการแม้แว่กพิการก็ไม่อยายใช่นะแต่ นักเรียนคนนั้นเนี่ยถามตรงๆเนี่ยคุณเกิดมาทิการหรือที่การแต่กําเนิดคุณน้อยใจไหมรู้สึกคุณมองตัวอย่างไรเธอยิ้มนั้นเธอก็หันไปเขียนที่กระดานฉันมองตัวอย่างไร 1. ฉันเป็นคนน่ารัก2ขาชั้นเรียวและสวยงามสพ่อแม่รักฉันสี่พระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคาทอลิกนะข้อห้า ฉันเขียนหนังสือและวาดภาพได้ข้อหกฉันมีแมวที่น่ารักแต่ที่คนประทับใจเนี่ยและที่จริงมาเป็นการสรุปรวดยอดเคล็ดลับที่ทําให้เธอมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จก็คือฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดเธอขาดอะไรไปตั้งหลายอย่างนะความสามารถอย่างมนุษย์ธรรมดาหลายคน เธอไม่มีเช่นการเขียนการเดินอาเช่นการพูดการเดินแต่เธอไม่สนใจเธอมองแต่สิ่งที่เธอมีและสิ่งที่เธอมีนี่มันก็มากพอที่จะทำให้เธอประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขได้หลายคนนมีอะไรต้องเยอะแยะแต่ไม่มีความสุขมีครอบครัวที่ดี มีบ้านที่อบอุ่นมีสิ่งแวล้มที่สุขสบายมีรถยนต์มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยโทรทัศน์ iPhone iPad นะอุปกรณ์การที่คนมีมีหมดแต่ทุกเองพ่อมีเสือไม่กี่ใม่บนไปหน้า เป็นสิวบางผิวแหบผมแตกปลายบ้างมองให้ไแต่แค่แนะั้นนะ่ะเป็นอย่างนี้กันมากนะฮะก็คือตัวเองไม่มีดีต้งเยอะแยะ99อย่างแต่ไปจดจ่อยไปสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ ไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดแต่ถ้าเป็นอย่างหวังเหมยเลี้ยนนี่นะจะไม่มีความทุกข์เพราะเหตุนี้เลยนะเพราะว่ามองแต่สิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ขาดนะแล้วคนเราเนี่ยถ้าใจนะเป็นอย่างนี้นะเจออะไรก็ไม่ทุกข์นะฮะมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะ ชื่อบรูซในแอสโซเนี่ยแกเป็นชาวอเมริกันตอนเด็กเนี่ยแกเป็นโปลิโอสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวัคซีนนะป้องกันโรคโปลิโอโปลิโอที่แกเป็นเนี่ยเป็นหนักนะจกนกระทั่งพิการใช้มือได้แต่ว่าเท้าเท้รอะไรเนี่ยเดินไม่ได้ก็เรียกว่าต้องมีคนมาช่วยพยุง มีคนบริเวณหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งการหายใจองก็ลําบากาเจ้ก็มีคนที่มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเรียนจบก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยเคยถามว่าเนี่ยคุณเนี่ยนะมีชีวิตที่ลําบากเนี่ยร่างกายพิการทำไมถึงมีความสุขได้เขาบอกว่าที่แรกเจ้ก็มีความทุกข์นะจากคนที่ เดินเถือนไปไหนมาไนได้เสแล้วก็มาพิการเพราะูริโอแต่ก็มาคิดได้ว่าผมไม่อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมไปกับจมอยู่กับความสมเพศตัวเองหรือความโกรธผมก็เลยพยายามที่จะสร้างจิตสำนึกที่จะรู้สึกเป็นนี่บุญคุณสิ่งต่างๆที่ผมมีแค่พูดดีนะฮะผมไม่อยากจะใช้ ยังไม่อยากปล่อยให้เวลาที่เหลือของผมเนี่ยมันจมไปกับไอ้ความรู้สึกสมเพชตัวเองหรือว่าความโกรธโกรธอระไรอาจจะโกรธชะตากรรมที่ทำให้ต้องมาเป็นแบบนี้ไม่อยากจะให้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมไปกับเรื่องราวนี้ผมก็เลยพยายามที่จะทำใจให้สำนึกให้มารู้สึกสำนึกในบุญคุณของสรรพสิง่งไม่าจะเป็นพระเจ้าไม่่าจะเป็นพ่อแม่ไม่่าจะเป็นครอบครัว ปาญหาที่ไรรวมทั้งมันสมองที่ผมได้รับและชีวิตที่เต็มไปได้วยโอกาสร่างกายแย่แต่สมองยังดีขอบคุณมีพ่อมีแม่ที่ดีขอบคุณเพื่อนที่ดีหมอที่ไรที่ดีขอบคุณถึงกับบอกว่าเนี่ยชีวิตที่เต็มไปได้วยโอกาสก็ขอบคุณเหมือนกัน น, นี่ก็เป็นมุมมองที่ทำให้คนอย่างเขาเนี่ยมีความสุขได้ ท, ทั้งที่ขาดหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งตรงข้ามกับคนจำนวนมากที่มีอะไรเยอะแยะแต่ก็มองจดจ่ อ, อแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือว่าสิ่งที่ตัวเองขาดไปทั้งที่เป็นเล็กเล็กน้อยมาก คนเราในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองสมัยเนี่ยจากที่จดจอ่อแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีสิ่งที่เสียไปหรือสิ่งที่ยังไม่ได้มาเราจะมีความสุขได้ง่ายพวกเราหลายคนรู้รจักซิกโก้นะฮะซิกโก้เนี่ยเป็นกัปตันเคาเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทย ก่อนที่จะมาเป็นโค้ชทีมชาติที่มีชื่อเสียงเวลานี้ก็เป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จเคยไปค้าแข่งที่มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามทำให้สโ ม, มสรเขาได้รักแชมป์เป็นแชมป์ต่อมาอังกฤษก็สโ ม, มสร อ, อังกฤษก็มาซื้อตัวเขาเป็นข่าวใหญ่เมื่อเกือบยีปีที่แล้วคนไทยก็อยากจะเห็นซิโก้ได้ ลงสนามที่ประเทศอังกฤษและนี่ก็เป็นความฝันของซิกโก้จะได้ใส่เสื้อสโมสอรอังกฤษนะลงสนามแต่ว่าจนแล้วจนรอยเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามสักทีเพราะนั่งอยู่แต่ข้างสนามเป็นตัวสำรองจนจบฤดูกาลควาผิดหวังมากเขาเสียใจมากรู้สึกว่าการไปทางนั้นล้มเหลวเวลามีใครมาถามนร่งี้เขาก็ ไม่อยากจะพูดแต่ผ่านไปไม่กี่ปีเมื่อมีคนถามเรื่องนี้เขายิ้มเขบอกไม่มีอะไรเลยผมคิดมากไปเองผมคิดผิดไม่ได้คิดผิดที่ตัดสินใจไปยังกรินะแต่คิดผิดที่ไปทุกกับกับเรื่องนี้ก็บอกว่าไปยังกริ่งนั้นมันมีแต่ได้กับได้ได้รถได้บ้านได้ภาษาได้พัฒนาร่างกาย ได้พบมุมมองใหม่ๆรู้จักคนมากมายได้เดินทางแล้วก็ได้สัมผัสหล็กที่มีสีสันที่สุดในโลกก็ได้ทังเจ็อย่างนะเสียงเดียวคือได้แปดอย่างเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเขาเห็นแต่เสียเขามองไม่เห็นว่าเขาได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่มองไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่ได้หรือสิ่งที่เสียไป อันนี้หละที่เรียกว่ามองลบมองลบคือมองแต่สิ่งที่ยังไม่มีมองเห็นแต่สิ่งที่เสียไปไม่ได้อย่างที่หวังแต่สิ่งที่ได้มามากมายมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณหองความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากเขามีเขาได้แต่เขามองไม่เห็น เ, เขาก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาเสียไปหรือสิ่งที่ไม่ได้ คนเราเียรปรับมุมมองสงมัยเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะน่าเสียใจนะเมื่อปีห้าสามเนี่ยมันมีการจลาจลแล้วก็มีเหตุการณ์เผาย่านศูนย์การค้าอันนี้พวกเราทราบดีสยามสแควร์ก็โดนด้วยก็มีนัทสุกี้ชื่อดังเนี่ยมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศเนี่ยทั่วกรุงเทพก็โดนลูกลงไปโดนเผาไปสีสาขาบริจั ก, กาก็ เศร้าเสียใจมากเพราะว่าเสียหายไปงบหลายสิบล้านนะหลายได้ที่จะเข้ามาก็ขาดไปเพก็ต้องซ่อมต้องซานผู้จัดจาการก็ไปรายงานเรื่องให้กับซนะี o โอคุณริชิรโกรมเมนคุณฤทธิ์เนี่ยแทนที่จะเสียใจเหมือนกับลูกน้องนะกับผู้ให้กำลังใจซึ่งสะท้อนเห็นว่าตัวคุณฤทธิ์เองก็คงไม่มีความทุกข์เท่าไหร่คุณฤทธิ์พูดว่าเนี่ย สาขาเราถูกเผาไปสร้านเราถูกเผาไปสีสาขาแต่เรามีต้องสามรอยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงเล็บจะทุกไปทำไมมีต้องสามสิบสี่ที่ยังเหลืออยู่ผู้จัดการไม่สนใจแต่จดจ่อยแต่ไอ้สีสาขาที่ถูกทำลายเสียไปแต่ซ e o เนี่ยเขามองเห็นแต่สิ่งที่ยังมีอยู่นี่คือมุมมองที่ต่างกันนะเราอยากจะมองแบบไหนถ้าเรามองอย่าง ผู้จัดการคนแรกเราก็ทุกเป็นแต่สิ่งที่เสียไปแต่ถ้าเรามองอย่างคุณฤทธิ์นะเราก็จะไม่มีเหตุผลที่ต้องทุกเพราะเรายังมี้อีกต้องเยอะแยะหลายคนอาจจะปุ้มใจโทรศัพท์หายนะเงินถูกโกงไปหมื่นแสนแต่ลืมไปว่าเรายังมีอยู่กับตัวอีกต้องมากมายเงินในธนาคารก็มีหลายเท่านะของสิ่งที่เสียไป หันมามองตรงนี้บ้างมองสิ่งที่มีอยู่ <c oughs> ไอสิ่งที่ยังไม่มีก็อย่าไปจดจ่อกับมันถ้าเราทำนี้ได้เราเรียกว่าพอใจสิ่งที่มี ด, ดีสิ่งที่ได้ภาษาบาลีเรียกว่าสันโดษสันโดษที่พระเจ้าต่ว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะสันโดษที่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเพราะใครมีแล้วจะรู้สึกรวยแต่ถ้าไม่มีสันโดษ น, นะ ก็คือจะไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีไม่ยินดีสิ่งที่ได้คนนั้นก็จะรู้สึกจนอยู่เสมอแม้จะรวยร้อยล้านพันล้านก็ยังจนเพราะยังอยากจะได้อีกเพราะยังรู้สึกคร่องคนจนคนที่ยังรู้สึกคร่องคนที่ยังขาดอยู่แต่คนรวยคือคนที่รู้สึกเต็มและสันโดษที่ทําให้เรารู้สึกเต็มพระอาจารย์ตัดว่าสันโดษคือทัพย์อย่างยิ่งก็คือใครมีแล้วนี่จะรู้สึกรวย จะไม่มีความอยากจะได้หรือทุกข์ก็ อ, อยากจะได้แต่ความขยันยังมีนะไม่ใช่พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วก็เฉยชาไม่กระตือรือร้อนอันนี้ไม่ใช่พุ้ธเจ้าตัด ว, ว่าสันโดษต้องมาคู่กับวิริยะคือความเพียรพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ดีแล้วแต่ต้องทําความเพียรทําให้มันดีขึ้นนะไม่ได้ขัดแย้งกันนะพอใจสิ่งที่มีเนะี่ย แต่ว่าควรจะทำให้มันดีขึ้นถ้าทำไดไ้การมองบวกเนี่ยนะถ้ามองไม่เป็นก็ทุกข์นะเพราะว่าไปมองว่าอ น, นาคตจะต้องสดชื่นแจ่มใสโชติช่วง ช, ชัตวานอันนั้นไม่ใช่การมองบุตรเทมาพูดมองบุตรเทมาพูดหมายถึงการมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามนะีไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มี แล้วคุณก็จะมีก็กตามถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะได้อะไรก็ถูกนะอรรมระเคยบรรยายนีที่สวนเมืองกรุงเทพคนฟังก็เยอะนะหนังสือทีตธรรมะเตรียมมาไม่พอธรรมะก็เลยบอกพันยาจดธรตามาก็บอกว่าหนังสือมไม่พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้นะ แล้วตมาก็ยกเอาหนังสือมาปึ่งหนึ่งเป็นหนังสือขนาดเท่าฝ่ามือผู้คนก็ดีใจมามารอรับใครที่ได้รับไปก็ดีใจพอหมดพึ่งแล้วตมาก็พึ้งที่สองมาคราวนี่หนังสือเป็นขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของกระดาษเนี่ยนะมันใหญ่กว่าฝ่ามือนะคนที่มารับก็พอใจ แต่คนที่รับเล่มที่ขนาดเท่าฝ่ามือรู้สึกเสียใจทีแรกดีใจเอ้ยฉันได้หรือไม่ได้แต่พอเห็นอีกคนหนึ่งเขาได้ขนาดเท่าเนี้ยเสียใจมีบางคนมีคนมามาขอมาหาตำหนิมาขม า, า, ขาขเปลี่ยนได้ไหมยังไม่ทันอ่านเลยและรู้ว่ารู่ยงไงว่าเล่มเล็กเนี่ยมันสู้เล่มใหญ่ไม่ได้เมื่ออธิทินทร์ร่าก็ไป ปัญญาที่วจนะลาวะก็จะเหตุการณ์ทำนองนี่ยนะหนังสือเนี่ยก็มีก็มีหลายเล่มอาตมาก็ให้แจกอาตมาหยิบหนังสือเล่มเล็กไปให้เขาบอกขอเปลี่นเป็นเล่มใหญ่ได้ไหมก็ ย, ยังไม่ทันเห็นปกเลยนะแต่รู้ว่าเล่มใหญ่เนี่ยมันน่าจะดีกว่าถ้าคนที่มีธรรมะคนที่รู้ธรรมะเนี่ยบางทีก็ก็วางใจไม่เป็นนะ ถ้าแ ม, ม่รู้เท่าทันกิเลสตัวเองเนี่ยก็อยากได้หนังสือเล่มใหญ่ไม่ใช่เล่มเล็กท่านังที่เล่มใหญ่อาจจะมีเนื้อหาสู้เล่มเล็กไม่ได้น่าจะมองใหม่สมัยเออเออเราโชคดีนะคนอื่นเขาไม่ได้กับเราได้ถือแม่จะเล่มเล็กแต่พอมองไม่เป็นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่มีเล่มใหญ่กว่าก็เลยทุกทุกจนกระทั่งหมดลท่านไมไ่ต้องมาขอขอขอเปลี่ยน่ อันนี้เรียกว่าไม่มีสันโดษนะไม่พอใจสิ่งที่มีไม่มีสิ่งที่ได้ผนที่ตามาความทุกข์ครานี้เอกจากการมองเห็นสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่แล้วเนี่ยการมองเห็นสิ่งดีๆที่คนอื่นมีหรือที่คนอื่นทํำเนี่ยก็สําคัญนะอัตมาตีเรื่องนี้เนี่ยจากเพื่อนนะเขาอ้างเขาเล่าถึงนักพูดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคุณพิษพิษภูมิแก่ วันนึ้คุณพิพิธเนี่ยก็นั่งนั่งนั่งรถแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยแกก็คุยไปคุยมาแกก็พูดถึงเรื่องที่แกมีความเจ็บแทนแกรอมากวิลป์ห้าปีก่อนเนี่ยลูกไม่สบายกลางดึกหนักมากเลยแกก็อุ้มลูกเนี่ยไปที่ปากซอยตอนนั้นประมาณตีหนึ่งเรียกแท็กซี่ไม่มีแท็กซี่เลยแกไม่รู้ทายัางไงนะ แกก็อุ้มูกกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปขอร้องเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีรถบิกอัพให้ช่วยขับไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อบ้านแกเนี่ยอยู่ตรงแถวแถวลาดพาร้าวลาดพร้าวต้นซอยซอยแรกๆ้า <c oughs> ไปที่โรงพยาบาลเด็กนุสรีชัยใช้เวลาไม่นานนะ ไปถึงก็รีบเอารูปไปส่งหมอเสร็จแล้วก็ถามเพื่อนที่ขับรถมาส่งว่าจะเอาเท่าไหร่เพื่อนบอกห้าร้อยแกไม่พอใจมากนะเพราะเระยทางเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แล้วเต็นหนึ่งนรถมันไม่ติดอยู่แล้วแต่แกก็ควักให้แล้วแกก็แค้นมากเลยเพื่อนบ้านคนนี้ แล้วแคงแค่มาต่อสิบห้าปีนะแล้วแกคงจะไม่ได้พูดกับคุณพี่พิคคนนี้แต่ตอนนั่งแกคงจะพูดมาหลายครั้งเพื่อนบ้านเล่นมงนต้องห้าร้อยคุณพี่พิคก็นั่งฟังแล้วก็ถามว่าแท็กซี่วันหนึ่งเนี่ยคุณขับรถเนี่ยกี่ชั่วโมงกลัหนึ่งกี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงโวใช้เวลานาน ม, มากนะกลับถึงบ้านนี่คงเหนื่อเลยนะใช่เหนื่อยมาก พอถึงบ้านผมก็นอนเลยคุณพี่ก็เลยถามว่าเนี่ยถ้ามีคนมาเรียกคุณเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยไปส่งลูกไปถ้ามีผู้โดยสารเรียกคุณตีหนึ่งคุณไปมไหมผมไม่ไปหรอกผมอยากจะพักคุณพี่ก็เลยถามว่าเนี่ยเพื่อนบ้านคุณเนี่ยนะถูกคุณมาปลูกตีหนึ่งเนี่ยแกไม่อิดออดเลยแกไปนะคุณเห็นตรงนี้รึเปล่า เขามีต้้งใจให้คุณนะแล้วถ้าแล้วก็ถ้าถ้าคุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะแล้วคุณควักให้ไปเลยพันหนึ่งเนี่ยยัดใส่กระเป๋าเลยเนี่ยคุณจะมีความสุขคุณจะไม่ทุกข์มาถึงสิบห้าปีแต่นี่คุณไม่อยากจะให้เงินเขาคุณถึงถามใช่ไหมว่าเจ้าเท่าไหร่พอเขาเรียกห้าร้อยคุณโกรธแต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าที่คุณร ที่โรคที่ลูกคุณรอดมาได้เนี่ยพราะเขาเขาช่วยลูกคุณรอดตายถ้าไม่มีเขาเนี่ยลูกคุณตายไปแล้วคุณเคยเห็นตรงนี้ไหมแกไม่เห็นเลยนะแกเพิ่งมา น, นึกได้ว่าเออใช่วะกูคิดแต่ว่ามึงเรียกกูห้าร้อยใ่ไมทั้งที่สองสามร้อยันก็ก็ไปได้ลแล้กเห็นแต่ไอความไม่ดีของเขาในความรสึกของแกนะมาเรียกมึงกูต้องห้าร้อ แต่แกไม่ได้เห็นเลยนะว่าเขากุศลอยอมตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปส่งลูกคุณกลางดึงทั้งที่คุณเองก็คงไม่ทําแบบนั้นเหมือนกันแม้คนแม้จะได้เงินและที่สําคัญคือเขาเนี่ยนะช่วยให้คุณรอดตายให้ลูกคุณรอดตายแกมองไม่เห็นนะแกเห็นแต่ว่าถูกเก็บเงินห้าร้อยพอพอพอคุณพิพิธ พ, พ, พูดอย่างนี้นะแกหายโกรธเลยนะเออใช่แกก็กราบท้าคุณพิทิธเลย โอ้แกทุกมาสิบห้าปีนะเพราะไอ้ห้าร้อยบาทเนี่ยเพราะการคิดแต่ลบเนี่ยคือคิดแต่ว่ามึงเรียกกูห้ารอยอะแต่ไม่ได้มองมว่าโหผุตสาวตื่นมากลางดึกนะแล้วก็ช่วยให้ลูกรอดตายนะเนี่ยถ้ามองบวกแบบนี้นะสิบห้าปีที่ผ่านมาสบายไปแล้วนะไม่มาทุกไม่มาวนให้ลูกค้าฟังผู้โดยสารฟังมาสิบห้าปีนี่ม่เรื่องมุมมองทีเดียวนะคือถ้าเรามอง มองคนเนี่ยนะถ้าเรามองบวกนี่นะไม่ต้องมองบวกคือมองเกินความจริงนะมองความจริงนะ่แต่เป็นความจริงที่เรามักจะลืมมองหนึ่งเขาตื่นมากางเพื่อช่วยเพื่อไปส่งลูกนะโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากเรื่องเงินว่าขอจ้างเท่าไหร่แล้วยังช่วยให้ลูกรอดตายด้วยนี่คือด้านบวกของเขานถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราจะไม่มีเหตุที่ต้องทุกไม่ต้องโกรธไม่ต้องเพียบบานไม่รู้สึ ก, กรวไม่รู้สึกเพียบบา แต่คนจํานวนมากเนี่เป็นทุกเพราะมองไม่เป็นไปนมองเห็นแต่ด้านลบในความรู้สึกของตัวเองด้านลบของเขาในความรู้สึกของตัวเองเวลาเรามีความทุกมีความปรุพยายวบาปความพยาบาลเนี่ยลองกลับมาสํารวจนในที่ว่าเป็นข้อใจเราดื้อปล่าไม่ใช่เป็นเพราะเขาหรอกแต่็นเพราะใจเรามองไม่เป็นนะนอกจากมุมมองแล้วเนี่ยนะ ซึ่งอาตมาก็ได้พูดมาเยอะแล้วเนี่ยตมาคิดว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือการรู้จักปล่อยรู้จักวางไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคนอื่นนะแต่เป็นเพราะใจเราที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนอกจากมองผิดมองไม่ถูกแล้วเนี่ยมองผิดมองไม่ถูกเนี่ยถ้าปล่อยวางก็ยังดีนะเช่นแท็กซี่คนนั้นเนี่ยเออถึงแม้จะมองผิดว่าเพื่อนบ้านที่เอาเปรียบชันเรียกของห้าร้อย แต่ออปล่อยวางไปเถอะนะมันเรื่องมันก็แล้วไปแล้วเก็บเอามาคิดทําไมเสียเงินแล้วเนี่ยยังต้องมาเสียใจสิบห้าปีเชื่อหรือคนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะเสียแต่เงินนะเขาไม่ยอมที่จะเก็บความทุกข์ไม่ยอมที่เก็บความทรงจำมันมเจ็บปวดเอาไว้ก็ปล่อยไปใช่ไหมเสียเงินแต่ใจไม่เสียคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะรู้จักการปล่อยวาง คนที่รักตัวเองเขาจะรู้จักการปล่อยวางเพราะถ้าก็ไม่ปล่อยเนี่ยเขาจะทุกข์แล้วคนส่วนใหญ่เวลาทุกข์เนี่ยไปโทษคนอื่นนะไปโทษแท็กซี่คนเนี่ยไปโทษเพื่อนบ้านคนเนี่ยว่าเอาเปรียบว่าเรียกเงินแพงแต่ลืมมองว่าเราไปเก็บไปแบกมันทําไมแก้วเนี่ยนะถ้าเราถือไว้ในมือมันทาเราแล้วไม่ได้นะฮะต่อเมื่อเราไปบีบไปกำเนี่ยนะมันถึงจะเฉือนมือเรามันถึงจะบาดมือเรา คำถามคือเราไปกัมมันทําไมไปบีมันทําไมนะที่จริงเน่ยเพียพงแค่เราพลิกมือเนี่ยนะแก้มก็ตกจากมือแล้วแก้วในที่นี้มันถึงความทรงจํามันจะโปวดหมายถึงคําพูดการกระทำที่ไม่ดีของใครบางคนนะถ้าเราถ้ามันอยู่ในมือเราอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะความทรงจําถ้ามันอยู่ในหัวเราเนี่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปย้ำคิดย้ำทำนั่นแหละก็เหมือนกับการที่เรา เอาต่กรรมเอาตะบีแล้วพอเราเจ็บพอเรามีบาดแผลเราไปโทษแก้วเราโทษแก้วถูกหรอเปล่าแก้วทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ดีใช่ครัใครก็จะพูดอะไรเนี่ยนะมันไม่ทำให้เราทุกข์หรอกถ้าเราไม่เก็บเอามาคิดเพราะฉะนเนี่ยคนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะ รู้จักปล่อยรู้จักวางเขาจะไม่เก็บอารมณ์ที่มันบูดเนา่าหรือว่าที่มันเป็นอกุศลเช่นความโกรธเอาไว้คนที่รักตัวเองเนี่ยจะหาทางปล่อยความโกรธเพราะรู้ว่าความโกรธมันเผาล้นจิตใจอะไรที่ช่วยทําให้ความโกรธมันคลีคลายไปเขาก็จะทําเช่นถ้าเขารู้ว่าการให้อภัยเนี่ยช่วยทําให้ความโกรธมันคลายไปจากใจเขาก็จะทํา ถารักตัวเองแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอโกรธแล้วเนี่ยจะไม่ยอมให้อภัยเหตุผลที่หลายคนไม่ให้อภัยเพราะว่ามันยังไม่ให้สํานึกผิดถ้ามันสํานึกผิดเมื่อไหร่มาขอโทษฉันเมื่อไหร่ฉันจะให้อภัยดูมีเหตุผลนะแต่แตามาจะยกตัวอย่างนี้ให้ฟังสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินข้ามถนนเพราะว่าโดนรถชนรถคันนั้นเนี่ย ไม่มาช่วยเขาเลยเป็นตีนผีหนีไปเลยบาดให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยบากเจ็บกระดูกหักโรงพยาบาลมาลับเขาบอกเขาไม่ขึ้นไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่าไอ้ตีนผีนะั่นจะมาขอโทษฉันคนที่ฉลาดงโง่ฮะคนที่รักตัวเองนะแล้วคนฉลาดนะ่นต้องรีบขึ้นโรงพยาบาลก่อนไปรักษาตัวเองก่อนส่วนตีนผีจะมาขอโทษหไม่เอาไว้ทีหลัง ถึงไม่ขอโทษนะฉันก็ต้องรักษาตัวเวลาเราก็ทํางานใช่ไหมฮะแต่ทําไมเวลาเกิดแผลที่ใจเราไม่ทําแบบนั้นบ้างเราทําย่างงั้นกับร่างกายเมื่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดแผลเมื่อเกิดอการแตกหักแต่เวลาใจเรามีแผลเวอร์ว่าด้วยทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นบ้าง mm hmm. ก็คือรักษาใจของเราไม่ใช่รอว่าให้เขามาขอโทษฉันก่อนนะฉันจริงจะรักษาใจ คือให้อภัยการให้อภัยเนี่ยคือยารักษาใจแล้หลายคนเนี่ยเจ็บปวดบาดเจ็บปวดในในหัวใจโกรธเกลียดพยาบาลแต่ไม่ยอมให้อภัย ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าการให้อภัยเนี่ยจะช่วยเยียว ย, ยาจิตใจได้เหตุผลก็คือมันยังไม่มาขอโทษฉันอย่างนี้เรียกว่า ไม่รักตัวเองนะฮะอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลา ด, ดแล้หลายคนเนี่ยพยายามห่วงแขงความโกรธเอาไว้พยายามหวงแขงความพยาบาทเอาไว้พยายามจดพยายามจำถ้ากลัวลืมนะบางทีเขียนเอาไว้บางคนสักเลยนะฮะสักไว้เพามีจริงนะหวงแขงขนาดที่เราว่าลูกหลานมาขอร้องว่าให้ให้ภายก็ไปเถอะ โกรธนะโกรธใครโกรธลูกมีพี่หญิงคนหนึ่งเล่าว่าแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบแม่เป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็อ่อนโยนแต่เวลาพูดถึงใครคนหนึ่งเนี่ยนะแม่จะโกรธมากเพราะว่าเป็นคนที่เนรคนุณและต่อหลังเนี่ยก็จะพูดถึงคนนั้นบ่อย คือพอว่างงานเนะี่ยพอเกษยียณเนะี่ยไม่มีอะไรทํานะก็คิดถึงไอ้หมอท่านนะ่ะพูดสร้างพูดสร้างนะเวลาเจอลูกแม่ก็เห็นแมลูกก็เห็นแม่ที่มีความทุกข์มากเวลาพูดถึงคนคนนี้เนี่ยอารมณ์ขึ้นนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแม่กลูกกลัวแม่จะตายแม่กลัวแม่ถ้าตายในอารมณ์นะั้นแม่จะไปอาบายจะไม่ไปสุขตินะลูกก็ขอร้องแม่ให้อภายก็ไปเธอ แม่โกรธลูกเนี่ยด่าลูกเสมือนหรือเป็นหนึ่งว่าลูกเนี่ยกำลังจะมาแย่งจริงของรักของห่วงไปจากแม่ถามว่าไอความโกรธเนี่ยเป็นของรักของห่วงที่ควรจะเสมมตรักษาไว้หรือเปล่าเออถ้าถ้าลูกมาขอเพชรนินจินดามาขอที่ดินนะแม่รักแม่ห่วงแม่ก็ว่าลูกเออนี่พราะว่าเพราะเป็นขอรักของห่วงไง ่มทรัพย์สินเงินทองที่แม่หามาที่ดินแต่ลูกไม่ได้ขอที่ดินไม่ลูกไม่ได้ขอทรัพย์สินเงินทองอย่างแม่ลูกมาขอให้แม่ปล่อยความโกรธให้อภัยแต่แม่โกรธลูกหวงแขงความโกรธเอาไว้ถามว่ารักตัวเองหรือรักความโกรธกันแน่คนส่วนใหญ่ว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่ารักความโกรธมากกว่านะฮะ ยายามหงษ์แขนทําตัวเป็นองค์คลักพิทักษ์ความโกรธนะใครมาให้อภัยโกรธคนนั้นอ น, นี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะฮะ น, นี่เรียกว่าอันนี้ว่าลืมตัวเพราะคนธรรมดาถ้ารู้ตัวเนี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นนะคนที่รักตัวเองเขาจะไม่ทําอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่รักความโกรธรักความเศร้าเมล่เาเศร้าก็อาจจะจมเจา้าไม่ยอมไปไหน จะเศร้าเพราะเสียเงินเพราะถูกโกงที่ดินหรือว่าเพราะคนรักจากไปก็แล้กแต่หลายคนจะจมอยู่กับความเศรา้าเวลาเศร้าเนี่ยนะเราอยากฟังเพลงอะไรฮะเราอยากฟังเพลงสนุกนะมกราเราอยากฟังเพลงเศร้าทำไมอนี่ยในเมื่อถ้าเราฟังเพลงสนุกแล้วเนี่ยเราจะหายเศร้าได้แต่เราไม่ยอมฟังเพราะเราอยากจะกรักษาวความเศร้าเอาไว้และความเศร้านี่มัน กัดกินใจนะฮะมันทาให้ร่างกายเนี่ยหมดอะไรแต่หยากมันทาให้จิตใจหมดอะไรแต่หยากกับชีวิตเพื่อมาชวนลูกมาชวนให้ไปเที่ยวไม่ไปกูจะนั่งยูจเจ้าจุ๊บอย่งเพื่อนามาคนหนึ่งนะเราว่าตอนนั้นเธอยังสาวเนี่ยนะก็ไปรักผู้ชายคนนึงแต่พุทพอได้จดหไม้ผู้ชายคนนั้นเขาไม่มีทีท่าที่จะรักเธอเลยเธอก็เสียใจนั่งซึมอยู่อยู่ในใ น, ใ น, ในใบ้านมือก็ถือแต่ต้นไม้ช่วงนั้น ก็พอดีกับเพื่อนเนี่ยสามสี่คนมาที่บ้านบ้านปิดแกก็กดกริ่งแล้วก็ตะโกนเรียกชวนไปเที่ยวหญิงสาวคนนั้นพอได้ยินเพื่อนเรียกเนี่ยนะแกฉุนเลยนะเรืนในใจเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังนะเวลาจะทุกข์ยัมีคนมาลังควาเนี่ยเชื่อเลยนะเวลาทุกข์ยังมีคนมาลังคานเกนะ็อยนะกยอยากจะทุกข์ต่อไปอะ่ะถามว่าใครสั่งนะความวเศร้ามันสั่ง ขนสั่งขอเศร้ามันสั่งว่าพี่อย่าไปนะขอให้เศร้าต่อไปนะแล้วเราก็ทําตัวเป็นคนซึ่งๆนะเชื่อเออมันสั่งให้กูรักษามนันเอาไว้กูก็จะสมัครักษามันเอาไว้กูจะปกป้องมันนะเราทําตัวเป็นตรงคารพพิทักษนะ์ความเศร้าถามว่าโง่หรือฉลาดนะถามว่ารักตัวเองหรือเปล่าหรือเรารักความเศร้ากันนะแน่ถ้ารักตัวเองเนี่ยมันต้องหาทางฉลาดออกไป และวิธีสายคือการกลับมารุ้มื้อรู้ตัวกลับมาปล่อยวางจะปล่อยวางให้ได้นะจะไปเก็บามาคิดและการปล่อยวางเนี่ยนะกลับมาที่การตามลมหายใจมันจะช่วยเป็นมันเป็นวิธีที่ช่วยทําให้เรากลับมาปล่อยวางได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดคิดถึงมันหยุดคิดที่เรื่องคนทําให้เราโกรธหยุดคิดถึงเรื่องทําให้เราเศร้าเนี่ยเรากลับมีที่ลมหายใจ เอาใจใส่ลงไปในลมหายใจเนี่ยจิตมันจะวางเรื่องโกรธเรื่องเศร้าเพราะจิตเนี่ยมันเหมือนกับคนแขนเดียวคนมือเดียวเนี่ยถ้าอยากจะให้มือนี้เนี่ยจับไมโครโฟนนะมันก็ต้องวางไอเครื่องอัดเสียงก่อนถึงเจะจับไมโครโฟนได้ใช่ไหมฮะจะให้มือนี้เนี่ยจับแก้วนะซึ่งมีน้ําที่บรรเทาความหิวกระหายได้ เราก็ต้องวางไอ้ตัวนี้ก่อนไม่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นแก้วจะเป็นไฟจะเป็นถานก็ต้องวางเพื่อนีมาหยิบแก้วน้ำมาดือดับกระหายเหมือนกัน้าเวลาเราพาใจกลับมาทือลงหายใจเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะปล่อยวางความเศร้ามันจะปล่อยวางเหตุการณ์ในอดีตมันจะปล่อยวางงานที่ยังคาอยู่นี่สินที่ยังไม่ได้ชำระที่ทาให้หนักอหปนิจจ์จวาง ใครที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยกําลังเครียดกําลังยติตกเนี่ยนะก็ต้องเรียนรู้การปล่อยวางเหมือนกันเวลากลับมานอนนะก็ต้องวางเรื่องพ่อเรื่องแม่ไว้ก่อนบางคนไม่ยอมวางเพราะคิดว่าถ้าวางรเราแสดงว่าไม่รักแม่ไม่รักพ่อ <c oughs> ไม่ใช่เลยนะฮะถ้ารักแม่รักพ่อต้องวางนะฮะเพราะถ้าไม่วางเนี่ยเวลาพักไม่ได้พักเนี่ยมันพักแต่กายใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ด้วยความยุติตกกังวล น, นะถึงเวลา พักก็พัก ไ, ได้ไม่เต็มที่พอคนเราพักแด้ไม่เต็มที่เป็นไงหงุดหงิดเครียดง่ายพอมีเคร ง, ง่ายพอไปดูแลแม่แม่ไม่ฟังนะพ่อสูบบุหรี่แม่กินน้ําตาลเยอะกินหวานเยอะนะไม่ฟังเลยนะปริใส่แม่ปริใส่พ่อเสร็จแล้วก็มาเสียใจโอโ้ไม่น่าทําเลยรู้สึกผิดอีกกลุ้มใจกลับไปบ้านนอนไม่หลับหนักขึ้นไปอีกนะ พอรุนขึ้นเครียดกังวลยิ่งกระเดิมแล้วก็ปรีต่อไปอีกนะสุดท้ายแทนที่จะดูแลท่านนะกับซ้ำเติมท่านแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยแล้วถ้ารักท่านนะต้องปล่อยวางบ้างอย่างน้อยเนี่ยเวลานอนเวลาพักเวลากินข้าวเวลาอาบน้าเนี่ยวางวางท่าลงออกจากใจบ้างเพราะมันจะเป็นมันเหตุมาช่วยทำให้เราได้พักทำให้ใจสบาย พอใจสบายแล้วเนี่ยเราได้พาะเต็มที่เราจะมีกําลังใจเราจะมีความใสความสดซึ่งจะช่วยท่านได้เพราะถ้าผู้ดูแลมีความใสความสดมีความสงบเนี่ยนะคนป่วยเนี่ยเขาจะคอยได้รับอนิสงส์เขาจะป่วยกายแต่ว่าใจเขาเริ่มสงบเพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างเขามีสติมีความสงบเขาจะคลายความทุรนทุราย ใจิตใจคนมันรับได้นะฮะมันรับรู้ได้นะยิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะจะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของคนดูแลได้เด็กก็เหมือนกันนะมีจิตอาส า, าเนี่ยไปดูแลเด็กนะเด็กซึ่งเขาไม่ค่อยยังแค่ขวบสองขวบท่าน่เด็กซึ่งเขามีปัญหาในใ จ, ใ จ, ใจิตใจต้องการจิตอาสาไปดูแลเจ้สาวก็ต้อพบว่าบ่อยครั้งเนี่ย เด็กที่เธอดูแลเนี่ยอารมณเสียร้องไห้เป็นประจำเลยร้องไห้บ่อยไม่เลิกไม่ลาเธอก็ไม่พอใจเป็นพ่ออะไรแล้ววันนึงเธอก็ได้คิดว่าทุกครั้งที่เด็กเมีอยการอันนี้เป็นพ่อเธอหมึดหมดีเป็นพ่อเธอเครียดวันไหนเธอเครียดเธอหมึดหมีแต่ไปดูแลเด็กเด็กคนนี้มันจะร้อง ม, มันจะงอแงเต็เมันเป็นกระจกสะท้อนให้เธอรู้ว่าอารมณ์เธอนะมันไม่พร้อมเธอก็จะชิมนะไปทําใจให้สงบ ก, ก่อน พอใจสงบแล้วกลับมาดูแลเด็กเออเด็กไม่งองแงเหมือนเคยแลเด็กเนี่ยเขาไวนะฮะคนแก่คนป่วยก็จะไวยิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวยิ่งที่ไวนะฮะงั้นวิธีการดูแลท่านที่ดีสุดเนี่ยคือการทําใจใสบายซึ่งก็หมายความว่าพักกระเพาะเต็มที่รู้จักปล่อยวิจักวางท่านไปถักใจบ้างทําผิดอะไรไปปรี๊ดอะไรใส่ท่านวางมากเพราะทําไมวางเนี่ย ก็จะทําให้นอนไม่หลับพักไม่เพียงพอเสร็จแล้วก็เครียดใหม่แล้วก็ไปปริสษัยท่านอีกนะอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรกลับมาเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นการวางเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าเราจะรักตัวเองหรือรักคนอื่นนะต้องรู้จักวางนะฮะประเดสุดท้ายที่ธรรมมาคิดว่าอาจจะช่วย มีประโยชน์มากไนงะมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ไงก็คือการมองหาประโยชน์จากมันเห็นข้อดีของมันทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะดีหรือรายอยู่ที่ใจเรานะฮะคําตอบว่าดาทอลเนี่ยจะดีหรือร้ายอยู่ที่ใจเราอยู่ที่เราจะมองมันอย่างไรถ้าเรามองว่ามันแย่มันเลวร้ายเราก็ทุก ของมันแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นของดีเราก็ไม่ทุกข์กับมัน <c oughs> สมัยที่เราปู่ขาวเนี่ยอนาลโยยังมีชีวิตอยู่เน่ท่านมีมีแม่เชียวนึงที่คอยดูแลประทาบพระเนร์ดีมากขึ้นม่ชีสาแม่ชีสาที่ก็ปฏิบัติดีด้วยมันนึงปู่ข่าวก็สั่งให้พระสองลูปไปรู้สึ์ท่านเนี่ยไปดูดดาบว่ากล่าวแม่ชีสา ทัง ส, สองท่านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สามก็ไปไปที่อุตติแล้วก็ไปด่าไม่จีสาก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้ก็พนมมือแล้วก็ฟังตลอดเวลาที่ฟังนี้ก็ไม่ได้มีอาการที่จะน้อยเนื้อต่งใจหรือว่าโมโหผิดหวังอะไรเลยธรรมดานี่คนเราเนี่ ย, ยพอถูกครูบาอาจารย์ด่าก็จะเสียใจน่น้อยใจเราอุตส่าห์ทดี ดูแลพระดีทำไมกูบาจารย์มาพูดกับเราอย่างนี้แล้วถ้าคณนณ่เขารู้เนี่ยเราจอมหน้าไปสุกไว้ที่ไหนนะอาบอายขายหน้าที่แบบนี้ทุกเล ย, เยแต่ไม่ชีสาเนี่ยไม่ใช่งั้นพอพระทั้งสองท่านพูดจบไม่ชีสาครู้ว่าท่านอาจารย์ดูดาว่ากล่าวจบแล้วหรือดิฉันฟังแล้วเนี่ยซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงดูดาเป็นเสียงธรรมะมทั้งนั้นเลย คราวหน้าท่านอาจารย์มาด่า บ, บ่อยๆนะมันจะได้หมดกิเลสสักทีให้ศึกษาถูกดา่าแต่ไม่ทุกข์เพราะแล้วเพราะใจฮคนเราทุกข์หรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะคำพูดที่กระทบหูเรานะคนไปคิดว่าถ้าเป็นคําพูดสละสะลวยกระทบหูเราถึงจะมีความสุขถ้าเป็นคําพูดที่เสียดแทงด่าว่าเราถึงจะทุกข์ไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจฮะทุกข์หรือไม่ที่ใจ ไม่ชี้สาท่านมองว่าเออความดูเดาเนี่ยเป็นเครื่องฝึกกิเลสเป็นเครื่องขูดกิเลสเป็นเครื่องฝึกใจเวลาเราเจออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะแทนที่จะซ้ําเติมตัวเองด้วยการทุกข์ใจโกรธนะเราลองมองมาสักมายว่าเออมันมีข้อดีอยังไงบ้างแล้วคนที่ฝ่ายทําเนี่ยท่านจะมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นเครื่องฝึกใจเรานะเป็นเครื่องฝึกใจเข้มแข็ ง, ขงเป็นเครื่อง ฝึกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือวเป็นเครื่องสอนใจว่าโล ก, กธรรมเนี่ยนะมันมีทั้งบโบกและลบมีคนชนมีคนชนก็ต้องมีคนดูดา่ามีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันเจอกับจากพลัพบ ก, กับพราดเป็นของคู่กันเออผู้ที่มาสอนเรานะเงินหายก็มาสอนไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนะ หรือเงินฐาก็มาสอนว่าต่อไปนี้ให้ให้มีสตินะวางเงินวางของเนี่ยให้มีสติเวลาจะถอนเงินก็ให้มีสติน ะ, ะคือถ้าเรารู้จังมองสิ่งต่างๆเนี่ยแม้มันจะแย่เนี่ยมองว่ามันมีข้อดียงไงบ้างหรือว่ามองอัปประโยชน์จางหวนเนี่ยเราไม่ทุกนะฮะแล้ว เ, เจ็บป่วยก็สอนใจเรานะว่าสังขารมันไม่เที่ยมหรือความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราตราตะหนักว่า อะไรที่ยังไม่ทํา้องรีบแล้วนะเพราะต่อไปจะป่วยหนักกว่า น, นี้อันนี้พระเจ้าสอนเองนะว่า mm hmm. เมื่อป่วยเนี่ยอย่เอาแต่ติ้วตีพายให้เราลึกว่าวันหน้าเนี่ยจะหนักกว่า น, นี mm hmm. ้เพราะนั้นตอนนี้อะไรที่ควรทํารีบทำํำนะถ้าหมดใจหาเงินหาทองก็อยู่ซะบ้างนะเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมเอาเวลาไปดูแลพ่อแมนะ mm hmm. ่เพื่อที่จะรับมือกับความทุกข์ ความเจ็บป่วยที่จะหนักหนาสหาหัสในวัต่อไปหรือเพราะว่าต่อไปอาจารไม่มีกาสได้ทำแล้วมองทุกอย่างที่แย่ๆว่าเป็นของดีเป็นประโยชน์อาจารย์ําพวนทองบุ๋นนุ่นเนี่ยพิกามตั้งแตวัยยี่ิบสี่แล้วก็ตั้งแต่ตั้งแ ต, ต, งแต่ตั้งแต่คอลงมาเลยมือนี่ก็เครียดขยับได้บ้างก็ทุกอยู่พักใหญ่นะทุอยวันสิปีแต่พอได้ปฏิบัติธรรม ในที่สุดวันนก็บอกว่าขอบคุณความพิการเพราะความพิการทําให้รู้จักทุกและเมื่อรู้จักทุกก็ทําให้รู้วิธีทนทุกข์พรจาพุนก็เลยแม่พิการนะแต่จิตแจ่มใสใจเ บ, บิกบานแม้จะเจอโรคภัยไข้เจ็บในระยะสุดท้ายชีวิตเนี่ยจนถึงตายเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพิ่งเผาไปเมื่อเดินพุทธภาพิการแทนที่จะโวยวาย โอดครวนนะกลับมาว่าขอบคุณความผิดกาลดัง้นถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ให้เราลองมองว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างใช้ประโยชน์จากมันหลวงพ่อเขาเขียนตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้า ม, มีความทุกข์เลยท่านบอกว่าสนุกป่วยป่วยก็ดีนะไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยมีคนทําให้หมดเลยท่านก็ได้แต่นั่งรอดูนั่งดูไตรักเฉยๆได้แต่ตอนดูไตลักให้มันแสดงตัวออกมา ไตรละก็คืออนี้จางทุกของรัตตาเนี่ยให้มันแสดงเออดูมันแสดงตัวมาจากความเจ็บป่วยอาจารย์พุทธบอกว่าปวยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีบางครัวท่านก็บอกว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของชีวิตเรื่องความไม่จีรังเตือนให้เราไม่ประมาทความล้มเหลวนะั่ก็มีประโยชน์นะจะเป็นความล้มเหลวแบบย่าแย่นะ พวกเราใน้คนจะรู้จักโปรเมนะฮะรู้จักโปรเมไหมโปรโกอลที่ชื่อเมย์เมย์มีสองเมย์นะเมย์รัชนกรู้จักมาเมย์เอริยานี่ก็ควรจะรู้จักนะเล่นกอล์ฟจนได้แชมป์มาห้าห้าแชมป์แล้วในปีเนี้ยน่าเสียดายที่ไปไปไปเจ็บเอาตอนโอลิมปิกเลยไม่ได้เหรียญทองโปรโมเมย์เธอยังอายุแค่อายุพอๆกับเมย์รัชนกนะปีนี้เนี่ยเธอทำเซอร์ไพรส์ในเรื่องห้าแชมป์ ผิดจำเมื่อสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยชีวิตการเล่นกีฬาเธอเนี่ยเรียกว่าตกต่งสุดขีดเลยนะเกิด <c oughs> บางครั้งอยากจะได้แชมป์ก็ไปแพ้ตอนถึงท้ายเ <c oughs> มื่อเธอไปยอ้อนมองยอ้อนกลับเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วตอนที่ชีวิตการเล่นกีฬาเธอตกต่าเนี่ยเธอบอกว่าโชคดีโชคดีที่ไปเจอเหตุการณ์เหล่านั้น เพราะว่าเธอบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีสักช่วงในชีวิตที่ต้องเจออะไรที่แย่ๆหรือเจอความตกต่ําสุดขีดเธอโชคดีที่มันม า, มาเจอกับไอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยตอนที่อายุยังน้อยทำให้เธอมีเวลาเรียนรู้ทําให้มีเวลาเอาชะนะประสบการณนที่เวอทอนนะกับความตกต่ำแย่ๆเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเธอกับเรียนรู้จากมันรู้จากวิธีเรียกควบคุมจิตใจ ไม่รนเวลาตีหลุมไทยทา ย, ทายและวิธีที่ทยี่เธอเรียนรู้วิธีเียนไม่ร่นมัคือยิ้มยิ้มอย่างเดียวเลยเพราะยิ้มแล้วทำให้เธอใจเย็นขึ้นไม่รนก็ตีหลุมตี๋ยวกอลได้สุ ข, ขุมขึ้นถามว่าเธอเรียนรู้จักอะไรเรียนรู้จักความล้มเหลวเมืสามปีถึงแล้วฉันก็บอกว่าโชคดีนะที่มาเจอความยากลาบากในตอนนั้นอีกคนหนึ่งที่ดังมากในช่วงโอลิมปิกนะ ก็เราจำไมเคิลเฟลใช่ไหมฮะแต่มีคนไมเคิลเฟลเนี่ยเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในโลกนะฮะ23เหรียญเขาแข่งมา4 4 ส, สมัยแล้วแต่สมัยนี้เขาไปพลาดแท้เขาไปพลาดท่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งชาวสิงคโปร์ชื่อโจเซฟสกูลลิงโจเซฟสกูลลิงเนี่ยสามารถที่จะแย่งเหรียญทองโอลิมปิกจากไมเคิลเฟลในท่าที่ไมเคิลเฟลถนัดที่สุดก็คือท่าผีเสือ้อดังมากเลยนะโจเซฟสกูลลิ่ตอนนี้ แต่คนไม่ทราบว่าสี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาแข่งโอลิมปิกที่ลอนดอนนะเขาตกรอบนะตกรอบเลยตกรอบเฉยเลยนะเป็นความสูญที่แย่มากสำหรับเขานะแต่ในเวลาต่อมาเขาพูดว่าเนี่ยไอ้ความล้มเหลวเนี่ยของเขาในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นคือฐานที่ท้อแท้กับเกิดกําลังใจนะเรียนรู้จากความล้มเหลว คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็รอดจากความความล้มเหลวแต่ความล้มเหลวเนี่ยทําไมบางคนเนี่ยล้มเหลวแล้วไม่ลุกเลยเพราะไม่รู้จักหาบทเรียนแต่หลายคนเนี่ยพอเขาล้มเนี่ยเขาลุกไม่ใช่ลุกอย่างเดียวเขาเรียนรู้จากมันแล้วก็พัฒนานตนนะให้ความล้มเหลวก็เป็นข้อดีความดูดาก็มีข้อดีความเจ็บปวยก็มีข้อดีความที่การก็มีข้อดี แต่จะดีหรือไม่อยู่ที่ใจนะฮะเจออะไรไม่สําคัญทั้ว่าใจเป็นอย่างไรอันนี้อยากให้ย้ําีกเลยนะฮะเจออะไรไม่สําคัญทั้ว่าใจเป็นอย่างไรถ้าผู้เยี่นก็ได้ว่าเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นจะเจอสิ่งที่ย่กๆแย่ถ้าใจดีใจมีสติใจเป็นมีปัญญาสิ่งร้ายก็กลายเป็นดีได้แต่ถึงแม้จะเจอดีๆแต่ถ้าใจวางไม่ถูกมันก็ทุกข์ได้เหมือนกัน ถูรักเตอร์ลีละวันที่หนึ่งยี่สิบล้านสาสิบล้านนะแต่ถ้าใจวางว่าไม่ถูกนี้ก็ทุกนะฮะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งถูรักเตอร์ลีละวันที่หนึ่งได้หลายใบยนะฮะได้ยี่สิบล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐหนึ่งเดือนต่อมาก็ขึ้นอีกเหมือนกันแต่ขึ้นว่ากินยาฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายนะฮะ จกุ้มมากเลยเพราะว่ามีคนมาขอเงินแกแกก็ให้แต่ว่ามีบางคนให้แล้วไม่พอใจรู้สึกว่าได้น้อยไปโทรศัพท์มาคู่ฆ่าเขากับลูกสาวเครียดมากกินยากินน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ไม่ตายลูกสาวพาไปช่วยที่โรงพยาบาลได้ทันต่อมาผู้สื่อขา่าวใช้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ แกก็เพิ่ประโยชน์หัวตอนเป็นพ่อค้าหาเรศเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหตอนเี็พ่กเป็นตอนพ่อค้าตอนเป็นพ่อค้าเร่ขับรถเรเ่ขายของตามหมู่บ้านมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าตอนที่ถูกรัเต์รี่หลายคนเนี่ยอยากจะเจอแบบเนี่ยถูกรัเต์รี่เจอโชคแต่ถ้าใจเนี่ยนะวางไว้ไม่เป็นนะ มันก็เป็นทุกข์นะเจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นถ้าเจอดีแต่ใจไม่ดีด้วยเนี่ยก็ทุกข์เจอสิ่งที่ไม่ดีแต่ใจเนี่ยฉลาดใจมีสติมีปัญญามันก็เป็นสุขหรือว่าได้ประโยชน์ได้ก็สรุปนะก็คือให้เราเนี่ยนะตระหนักว่าความสุจริตนี่มีที่ใจเราได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองหันกลับมาฝึกใจของเราฝึกจเาให้มีสติมีปัญญารู้จักมองในบุมองสิ่งที่สองสิ่งดีๆที่ตัวเองมีหรือว่าสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาได้ทำกับเราแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวาง แ, แต่ความว่าที่มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรานะมันต้องฝึกนะเช่นการฝึกสติการเจริญภาวนาการฝึกกับชีวิตประจําวันของเรา ปงเรื่องเล็กๆในน้อยในชีวิตประจําวันและต่อไปเนี่ยเราจะรู้จักวิธีปล่อยวางกับเรื่องใหญ่ๆได้นราจะพบว่าความสุขอยู่ที่อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะเราผสมขั้วแล้วนะฮะก็ความยุติธรรมเพียงเท่านี้ถ้ามีเวลาก็อาจจะพักถามได้ฟัง ม, มีเวลาที่นะครับไม่ามารทราบว่าทานใดมีคำถามจะสอบถามคำถามใดๆกับอาจารย์ไหมครับ มีในโฟโตาัูกลางทองอสองส อ, สอตัวนะครับถ้าใครม่าวเชิญได้เลยนะครับ กรับมามาตรการพระอาจารย์ค่ะคือหนูปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมาด้วยนะคะและตอนหลังก็มาดูลมหายใจที่ปลายจ ม, มูกค่ะท่านหนูอยากจะทราบวิธีปฏิบัติที่เอาทั้งความรู้สึกตัวและการดูลมหายใจมาประยุกแปรกันนะคะท่านคือลมหายใจเนี่ยนะถ้าเรามันมีประโยชน์ตรงเที่วมันช่วยทำให้ใจสงบเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปกาหนดที่สิงใดสิ่งนึง และส่วนใหญ่เราก็จะตามลมหายใจป้องกอาการหลับตานั้เวลาเราต้องการความสงบเนี่ยนะเราก็ใช้วิธีการตามลมหายใจแต่ถ้าเราจะเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องช่วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ทําได้แต่ว่าแทนที่เราจะไปกำหนดจิตแบบไปกำหนดใกล้ๆแน่ๆนๆกับลมหายใจเนี่ยเราเพียงมองรับรู้ถึงความรู้สึกของกายที่กําลังนั่ง หรือกำลังยืนไปพร้อมๆกันด้วยก็คือว่าให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่ารู้สึกทั้งกายรู้สึกว่ารู้สึกตกับกายทั้งตัวแต่ว่าที่เห็นรู้สึกเด่นชัดก็คือมีลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกผ่านร่างกายของเราไม่ใช่รู้สึกแต่ลมถ้ารู้สึกแต่ลมเนี่ยมันก็จะเป็นการไปกําหนดเฉพาะจุดมันจะไม่ได้ความววรูม้ม ส, มรสึกตัวทั่วพร้อมแต่มันจะได้ความสมงบถ้าต้องการความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ให้ ให้ให้มารับรู้ถึงรับรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนผ่านเข้าผ่านออกในร่างกายของเราก็ <c oughs> คือรับรู้ทั้งกายไปด้วยนะแต่ว่าก็จะรู้สึกถึ ง, ถงลมหายใจได้ชัดเจนกว่ามันจะเมือมันก็เหมือนการเราเหมือนกับเรามองภาพนะมองภาพจะเป็นภาพในในกรอบหรือว่าภาพบิลบอร์ภาพโปสเตอร์ภาพหรือ จอโทรทัศน์ก็แล้วแต่ความสุกตัวทุกน้องสว่าเรามองภาพรวมๆ ม, มองทั้งจอมองทั้งภาพแต่การไปกําหนดที่จุดใด จ, จุดหนึ่งเช่นลมหายใจเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราดูเฉพาะจุดเฉพาะมุมในภาพนั้นมันจะเห็นรายละเอียดแต่ว่าจะไม่เห็นภาพรวมหรือเปรียบให้ง่ายกว่านั้คือเรามองเวลาเราเรามองหน้าคนเนเวลาเราคุยกับคนเนี่ยถ้าเราปกติเราจะมองเราจะมองหน้าคนเนี่ยมองรวมๆ เราไม่ได้มองเฉพาะจุดใช่ไม่ได้มองที่ตาไม่ได้มองที่หูไม่ได้มองที่จมูกไม่ได้มองที่ปากไม่ได้มองที่คิว้วการไปอดกับมดเทียนเนี่ยทาให้เกิดความสุกตัวทุกพร้อมในลนักษณะนั้นคือเห็นภาพของกาย ร, มรวมๆรู้สึกกาย ร, มรวมแต่ถ้าเราไปกำหนดที่จิตไปกําหนดที่ลมหายใจเนี่ยเหมืนอนว่าเรามองหนาง้าคนแล้วเราไปดูที่บางบางจุดของเขาเช่นตาบางจมูกบางปากบางมันจะรู้เฉพาะจุดนะ อันนี้คือความแตกต่างนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าถ้าเราจะใช้ลมหายใจมาสร้างความรู้สึกตัวก็ให้รู้สึกถึงกายรวมๆที่มีลมหายใจเคลื่อนเข้าขึ้นออกนะมันเผลอคิดออกไปนอกตัวก็กลับมากลับมาให้รู้ทันแล้วกลับมาและดึจงจิตกลับมาอยู่กับและกับตัวนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยได้ อีค ร, ร ค, รครับเชิญเลครับเดี๋ยวจะมีใหม่ขอเชิญครับกลาวพระอาจารย์เจ้าค่ะคือเรื่องสัมมาทิฏฐินะคะเรื่องความเห็นชอบอยากจะกลาวเดี๋ยวถามว่าความเห็นชอบนี่คือเห็นชอบอะไรเห็นชอบอย่างไรในชีวิตประจําวันเจ้าค่ะคือถ้เห็นชอบตามหลักอริรรมยมเวี่ยงแปดนะซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกเนี่ยก็คือเห็น เห็นเรื่องอริยมรรคไม่เห็นเรื่องอริรกิจ ส, สี่ <c oughs> นะเห็นเข้าใจเรื่องทุกข์สมุทยัยมิรดมานะไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเท่านั้นนะแต่ว่ารู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับทุกข์อย่างไรเช่นให้รู้ทางหรือกำหนดรู้หรือว่าให้รู้ทั่วถึงนะส่วนสมุทัยพิสิทธิ์ะต้องลนะแต่ว่าสำหรับสาหรับกรณีทั่วไปเนี่ยนะ สมาธิถิก็ยุติอย่างเช่นการเห็นว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมถ้าทํากรรมดีก็ได้ดีทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วคือเชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องความดีอันนี้ก็เป็นเป็นสมาธิถิ่เบื้องต้นเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจเรื่องอริยสัจ ส, สีด้วยเพราะว่ามันช่วยทําให้คนถูกข์ได้ จริงๆความ ส, มาสัมมัิความเชื่อที่ว่าแม่ทําความคิดที่ว่าความเชื่อที่ว่ามันมีความสุขที่ประเสริฐไปกว่าลาจดสุขสารเสริญเนี่ย ม, มีความสุขที่ใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมมัติทีอันหนึ่งได้เหมือนกันสมัมมัติทีมันมีหลายระดับแต่พื้นฐานคือเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมความเชื่อเรื่องทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วเนี่ยนี่เป็นพื้นฐาน มอคำถามมาครับระอาจารย์ค่ะระอาจารย์สอนให้มองในสิ่งที่ดีของสิ่งที่เสียไปแต่ฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่ลูกตายไปในวัยหนุ่มมีข้อดีอยังไงค่ะขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยค่ะในฌานพุทธกาลเนี่ยมี ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางกีสาวกตมีเธอเป็นคนฉลาดแต่ว่าพอมีลูกอายุได้แค่ทักสองสามขั้วลูกกาลัง น, น่ารักก็เสียชีวิตเธอทําใจไม่ได้เธอก็อุ้มศพลูกเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อให้ช่วยให้ฟื้นชีวิตเขาขึ้นมาเพราะเธอยังยอมรับความตายของลูกไม่ได้ยังมีความหวังว่าลูกจะฟื้นขึ้นมาได้ทุกคนก็ใส่หัวบอกช่วยให้ไม่ได้ เธอก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งวันหนึ่งแล้วถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยแน่วลองไปหาพุทธเจ้าพูทเจ้าเห็นนางกีสาวโกตุมีอุ้มศพลูกเนี่ยแต่วพง์ก็รู้เลยว่าในภาวะเช่นนี้นางกีสาวโตุมีคงจะฟังธรรมะอะไรไม่ได้เพราก็เลยแทนที่จะสอนนางเรื่องอนิจจังทุกข์อนัตตาสอนว่าความตายเป็นของที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไรก็ได้พมศ์ไม่สอนพงศก็บอกว่าพงมาช่วยนางได้ถ้ า, าว่านางเนี่ย ไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายถางก็ดีใจก็รีบกลับเข้าไปกรุงสระบถีปูมศพลูกไปแล้วก็ไปถามบ้านไปถามใครต่อใครว่ามีไม่ดผักกาดไหมทุกบ้านบอกว่ามีแล้วมีคนตายไหมมีคนตายทั้งนั้นที่บ้านคนสมัยก็ก็ตายที่บ้านบ้านนี้ก็พ่อตายบ้านนี้แม่ตายบ้านนี้ตาตายบ้านนี้ยายตายบ้านนี้ลูกตายบ้านนี้ปู่ตาย ทีละน้อยทีละน้อ ย, อยเธอก็เริ่มยอมรับความจริงว่าความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวความพัดพรากเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งนั้นไม่มีใครหนีคนเธอก็ยอมทาใจยอมรับความตายของลูกได้แล้วก็เลยเอาศพลูกไปฝังไปเผาแล้วก็กลับไปหาพุทธเจ้าคราวที่เธอไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้ว่าใจเธอเนี่ยเริ่มที่จะวางเรื่องลูกแล้วยอมรับความตายได้พุทธเจ้าก็เลยตัดสอน ธรรมะสั้นๆว่าน้ำป่าเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลไปชั้นใดนะมัจจุราชก็พัดพาผู้ที่หลงยึดติดในลูกในทรัพย์สมบัตินะต่างๆชั้นนั้นนางกิสาขุมิเนี่ยซึ่งประสบกับความทุกข์ความสูญเสียลูกเนี่ยพอได้ฟังธรรมะสั้นๆเท่านี้เนี่ย ก็รู้แจ้งเห็นจริงนะเห็นทุกภัยของวาตัดสงสาร <c oughs> เห็นความไม่เที่ยงของของชีวิตและสังขารเนี่ยปัญญาก็เกิดกลายเป็นพระโสดาวันจากเดิมเมื่อสักชั่วมงทีละสองชั่วโมงทีละที่ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกับคนที่ปั้มปั้มเปิดเปิดเดนี่ยก็กลายเป็นพระอะเียบุคคลไปแล้ว เรื่องนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับนางปต t r า j a ซึ่งเสียหนักกว่านอี้นะเสียลูกสองคนเสียหัวเสียพ่อเสียแม่ในเวลาใกล้ๆกันแต่สุดท้ายก็บรรุธรรมได้เพราะว่าได้เห็นชัดว่าสังขารเป็นทุกข์มากเลยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้นางกิสากตมีนรนางป a t จา j a l เนี่ยจะไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลยถ้าไม่สุดเสียลูกแนะน่นอนการได้ผู้รู้เจ้าก็เป็นเหตุผลที่สําคัญ แต่คนที่ พ, อพ่อผู้เจ้าหลายคนนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่สูญเสียรูปเนี่ยก็ไม่สามารถจะเก็ตในสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสได้แต่ทั้งสองคนเนี่ยเก็ตเลยเพราะว่ามันเจอความทุกข์ในตัวเองความทุกข์เนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่จะทําให้คนอยาเห็นธรรมได้อันนี้แหละคือประโยชน์นะนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะได้จะหาได้จากความสูญเสียความผัดพลาดคือมันกําลังสอนทําให้เราเห็นนะว่า ความพัดพรากเป็นธรรมดาของชีวิตความสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคุ้นคุ้นและถ้าอย่างตราบใดที่เร า, ย, ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนะเราก็จะยังพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยอมรับความจริงอันนี้เพรวันนั้นเนี่ยทุกข์จึงมีประโยชนนะ์แน่นอนเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้ธรรมาพุนะ๊ พ่อแม่บางคนนะที่เขาขอบคุณขอบคุณความตายของลูกมีแม่คนหนึ่งเนี่ยนะลูกอายุสิบห้ามาขอไปเรียนต่อที่อังอังอิงองององอนเดียเจอเห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบดีช่วยตัวเองก็อนุญาตให้ลูกไป ลูกไปอินเดียได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุจมน้ําตายเธอได้ข่าวเธอก็ชอกไม่ได้เศร้าเพราะเสียลูกเท่านั้นแต่รู้สึกผิดด้วยเธอเฝ้าแต่โทษตัวเองว่าฉันไม่น่าอนุ ญ, ญาตให้ลูกไปฉันน่าจะห้ามลูกถ้าฉันห้ามลูกเนี่ยลูกก็ไม่ตายถ้าฉันไม่อนุ ญ, ญาตให้ลูกไปลูกก็คงยังมีชีวิตอยู่เธอเฝ้าแต่บุยตีตัวเอง จนกระทั่งเธอก็มองเขาว่าถ้าจะไม่มีไม่เป็นผู้เป็นคนจนกทั่งวันหนึ่งเพื่อก็นแนะนําให้เธอไปเพื่อนแนะนําให้เธอไปไปลองปฏิบัติทำดูนะเมื่อเธอไปไ ป, ปฏิบัติทำรรเธอก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าความตายเนี่ยมันเป็นของที่ไม่เที่ยงคนเราเนี่ยอายุก็ไม่แน่นอนบางคนตายเร็วบางคนตายช้าทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องกรรมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือว่าเธอได้เรียนรู้ เธอได้เรียนเรื่องการปฏิบัติทําได้เรียนรู้การเจริญสติพอความรู้สึกเศร้าเสียใจความรู้สึกผิดเกิดขึ้นมาในใจเธอก็รู้ทันมันแต่ก่อนเธอพยายามกดข่มมันเอาไว้เธอไม่ยอมรับเธออยกากลูกตายรู้แต่ละแต่เธอยังยังไม่ยอมรับตัวเองเมีส่วนทําให้ลูกตายเธอยังยังยอมเธอยังไม่ยอมรับว่าเธอยังมีความรู้สึกผิดอยู่กายที่ทําให้ลูกตายพอมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเธอรู้ทันมันก็วาง มันเกิดขึ้นก็วางจนทังความสุขผิดในสุขค่อยๆจางคลายไปบอราว่าเธอพบกับความสงบเธอได้พบว่าชีวิตใหม่เกิดขึ้นเธอมีความสุขกว่าตอนที่ยังไม่สูญเสียลูกซี่เมื่อเรื่อเรื่้เนั้นเธอก็เลยบอกว่าขอบคุณนะความตายของลูกที่ทำให้แม่มาพบธรรมะ เธพูดถึงขั้นว่าความต่างรูปเป็นสิ่งคุ้มค่าเพราะทําให้แม่ได้มาพบธรรมะจริงๆความตังรูปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรจะมาทดแทนหรือจะมาเปรียบเทียบได้แต่เธอยังสามารถจะเห็นได้ว่าในแง่นี้เนี่ยความต่างการที่เธอได้มามีชีวิตใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะความสูญเสียของรูปเป็นตัวผักตันเธอจึงขอบคุณและการที่เธอได้ได้พบชีวิตใหม่เนี่ยมันก็ทําให้ความตายของรูปเป็นสิ่งคุ้มค่าขึ้นมา ความต่างลูกจะคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เราเลยนะถ้าเราทําให้ความต่างลูกเนี่ยนําพาเราไปสู่ชีวิตใหม่โดยสายความต่างลูกเนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งคุ้มค่าได้และเธอก็พบว่าเนี่ยเธอถึงกระพูดเนี่ยความต่างลูกเป็นสิ่งคุ้มค่าเพราะทาให้เธอได้ได้มาพบชีวิตใหม่ดังนั้นี่ก็เป็นตัวอย่าง น, งนะว่า จริงๆแล้วในทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรหรืออยู่ที่ว่ามันจะผลักเราไปหาอะไรอันนี้รณรงค์เจ็บป่วยด้วย เวลาลูกไม่ฟังแล้วเราเกิดความทุกข์นะคะทีนี้พอความทกข์แล้วรู้สึกว่าจะอยากจะปล่อยวางแต่ถ้าปล่อยวางแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ได้สอนเขาหรือเขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทําอยู่มันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะะอยากจะกลับเรียนให้พระอาจารย์กื้อาชีแนกค่ ะ, ะมันอยู่ที่ว่าเราต้องสิ่งที่จะช่วยได้คือการเข้าใจเขา และการเข้าใจเข้าส่วนจะเกิดจากการที่เราฟังเขามีลูกคนนึงเนี่ยนะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนที่เรียกว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์มากและพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่จะสั่งให้ลูกอ่านหนังสือเนี่ยลูกไม่อยู่ไม่อยู่กับไม่อยู่กับที่เลยลูกเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าจะต่อต้านขัดขืนทุกอย่างในสิ่งที่พ่อแม่ทำไม่ใช้เพราะลูกดื้อ น, นะแต่เพราะลูกเนี่ยไฮเปอร์นะและตอนหลังเนี่ย พ่อแม่เนี่ยเริ่มที่จะพยายามเข้าใจลูกนะแล้วก็พยายามที่จะทุ่มเทเวลาเนี่ยอยู่กับลูกพูดนะสั้นๆ น, นะจากลูกซึ่งเป็นลูกซึ่งครูเนี่ยละอามากพ่อแม่ก็หมดหวังเนี่ยหลังจากที่พ่อแม่ทุ่มเทเนี่ยอยู่กับลูกพยายามเข้าใจลูกเนี่ยนะและพยายามปรับเชื้อเนี่ยให้ให้สอดคล้องกับปัญหาของเขาเพราะว่าลูกกลายเป็นเด็ก เรียบร้อยเลยอาตมาไปเจอเด็กคนนี้เนี่ยนึกไม่ถึงเลยนะว่าเมื่ออายุเมื่อย้อนไปย้อนหลังไปหกเจ็ดปีเนี่ยเป็นเด็กที่เคยไคร่ละอานะเป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่เรียกว่ามีสมาธิด้วยนะอันนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเรายังเข้าใจเขาไม่พอนะเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัญหาของเขา เด็กที่เอตมาเด็กที่เอตมาเล่าเด็กที่จิตอาสาไปไปดูแลเนี่ยเด็กก็งองแงนะจิตอาสาก็ไม่เข้าใจเป็นพ่ออะไรแต่สุดท้ายตัวเจ้าสาวก็อ๋อเป็นพ่อเราเครียดเรางุหนงิดเด็กก็เลยพลอยงุ่งิดพลอยงองแงไปด้วยแต่มาคิดว่าออลองพยายามตั้งใจนะวางความคาดหวังของเราและพยายามลองวางความคาดหวังของเราเกี่ยวกับลูกและพยายามเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็น ตะมาเชื่ออย่างที่ที่ครูที่โรงเรียนฉือจี้เนี่ยที่ไต้หวันนะเขาบอกว่าไม่มีเด็กคนไหนที่สอนไม่ได้มีแต่ครูสอนไม่เป็นนะจริงๆนะเนี่ยก็แล้วเฉือจี้นี่เก่งมากนะสามารถที่จะเอาเด็กทุกเด็กเด็กไต้หวันนะแม่เฉือจี้ไทยนะเือดี้ไทยตะมาไม่รู้จักสามารถที่จะทํำให้เด็กซึ่งมีปัญหาต่างเนี่ยเขาสามารถที่จะกลายเป็นเด็กที่เรียกว่า ไม่ใช่ดีในแบบของสังคมนะแต่ว่าเป็นเด็กที่เข า, าเป็นคนดีขึ้นมาได้รับผิดชอบตัวเองได้อันนี้ต้อมาพบ ว, ว่าแม้กระทั่งเด็กที่เหลือขอและกลายเป็นอาช ญ, ญากรกลายเป็นกลายเป็ น, าปนบางคนเป็นฆาตกรเนี่นะฮะไปอยู่บ้านการงานพิเศกที่ครูที่ชานนทนครเนี่ยเป็นผู้เบริการเนี่ยไอ้เด็กเหล่านี้ซึ่งสังคมเนี่ยสายหัวนี่นะและกลัวมากเนี่ย ว่อยู่ที่บ้านบ้านการวิเศษเนี่ยสองสามปีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ดีอาจจะไม่เรียบร้อยในี่ยสายตาของเราคือผมยาวแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะแต่เป็นคนที่มีวินยัยเป็นคนที่รู้จกักผิดและผิดชอบตัวเองแล้วก็ไม่ก่อปัญหาสังคมแล้วก็ไม่กลับไปทำผิดอีกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอย่างที่ชื่อจี้บอกว่ า, วาไม่มีเด็กคนไหนที่สอนไม่ได้มีแต่สอนไม่เป็นแล้วมาที่ว่าเนี่ยกับกรณีของโยมนี่นะมันห่างไกลจากเด็กการวิเศษเยอะ เพรนั่นอย่าอย่าท้อแท้แต่จุดสําคัญกนะ็คือต้องเข้าใจเขายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะแล้วก็ฟังเขาให้มากแล้วเขาจะแล้วถ้าเราเนี่ยปรับปรับเราให้เข้าหาเขาอย่าให้เขาปรับข้อหาเรานะเราปรับเข้าหาเขาเขาจะค่อยๆเติบโตมาเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนรับผิดชอบตัวเองได้อาจารย์มันมีความรู้เรื่องจากจากประสบการณ์ที่เจอพ่อแม่ข อ, <c oughs> ของเด็กหลายคนที่มีปัญหาเนี่ย เขาก้าวข้ามปัญหาไม้ได้เพราะเพราะการที่พยายามเข้าใจเด็กแล้วก็ทุ่มเทกับเขานะโดยที่ไม่ยอมติดไม่ไม่เปรียบเท่ยเด็กของตัวเองกับคนอื่นนะถ้าเปรียบเทียบเด็กข อ, ของเรากับคนอื่นเราจะทุกต้องยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแนละให้เขให้ก็เติบโตเป็นคนดีแบบของเขาแล้วเราจะไม่ผิดหวังครับวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้เวีาถามอาจารย์นะครับแทนบิมนะครับ ในนามของกลุ่มกรรมการเจ้าา